ต่อไปจะสนทนาธรรมมา ก, กันต่อเนาะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของสามัญญาผลสูตรสามัญญาผลสูตรเนว่าด้วยผลของความเป็นส ม, มณะลำดับของพระสูตรก็อยู่ในทีขนิกายทีขันิกายนะในพระสูตรที่สองในลำดับที่สอง ที่พระธรรมสังฆาการจารนำมาเรียงไว้ต่อจากพรหมชาลสูตรคำว่าพระธรรมสังฆาการจารย์ก็คือที่ท่านทำสังขยนากันนี่นแหละออในพระสูตรที่หนึ่งว่าไปแล้วในเรื่องของพรห ม, มชาลสูตรเรียนเรื่องการกาจัดมิจฉาทิฏฐิต่อมาก็คือในพระสูตรนี้ คำว่าสามัญญาผลและสูตรก็คือเรียนรู้ประโยชน์ของการบวชในพุทธศาสนาผลที่เกิดขึ้นจากการบวชในพระสูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงเองไม่ใช่สาวกมีผู้ฟังก็คือพระเจ้าชาติสตรูพร้อมทั้งเหล่าขราชบริพานพร้อมภิกษุสงฆ์1250รูป วันที่แสดงก็คือวันเพ็ญเดือน12เวลาครบค่ำเนี่ยนะสถานที่ก็คือสวนชีวะกะอัมพวันของหมอชีวะหมอชีวกุมาพัฒมเมืองเมืองราชครืต่อมาก็เป็นวัดระดับมหาวิหารในกลลรุงราชคลื่นี่แหละถ้าเราไปที่คิจชกรูดสมณเณรใครขึ้นไปยังเขาคิดชะกรูญยังไม่เคยไปนหะยุด อยู่ข้างล่างพอดีเลยลงจากเขาคิจกูดมาก็จะเจอวัดนี้ก่อนชีวากะอัมภวันก่อนที่จะไปถึงในเวลาลงจากคิจกูดปุ๊บก่อนจะไปวัดเวรุวันก็จะต้องผ่านชีวากะอัมภวันอัมภวันก็คือเป็นสวนมะม่วงของนายจุนท่านี่แหละต่อมานายจุนทากามาราบรุตรก็ถวายให้เป็นวัดลองคิดดูถ้าระดับพระเป็นพันพันรูปอยู่ได้นี่ก็เป็นวัดใหญ่เป็นระดับมหาวิหาร ในยุคปลายหลังพุทธปริิพันธ์แล้วเนี่ยเราจะมีชื่อวัดปรากฏอยู่ประมาณ18วัดใหญ่ๆก็จะมีทั้งวัดเวรุวันมหาวิหารชีวะกาอัมพวันมหาวิหารคิจกูเตมหาวิหารมัทธกุตชิมหาวิหารเนี่ยนะแล้วก็ตโปทารามหาวิหารแล้วก็ที่สัตตปันนคูหามหาวิหารเนี่ยตลอดถึงนาลันทามหาวิหารเป็นต้นระดับมหาวิหารทั้งนั้นเลยเนะ คือเป็นวัดใหญ่ๆ ใ, ในยกนั้นพระภิกษุสงฆ์ไม่ต้องพูดถึงจํานวนเรือนพันขึินไปทั้งนั้นเลยเนี่ยเราจะเห็นการพุทศาสนาบุคคลที่เข้ามาบวชในพุทศาสนามากมายเหลือเกินที่บุคคลก็ค้นขว้าในการที่มาประพฤติปฏิบัติกันนะนั้นต่อมาได้สร้างเป็นระดับมหาวิหารใช้เป็นที่พักสําหรับภิกษุที่เข้าร่วมทําปฐมสังขยนาคือเวลาทําปฐมสังขยาก็ไปทํากันที่ สัตบัตนาครูหาภูเขาเอพาละบันพดเวลาเดินเดินขึ้นไปเป็นภูเขาใหญ่นะแต่ว่าเวลาพระพักกันเนะี่ยลงมาพักกันด้านล่างมันพระเดินขึ้นเดินลงเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นนะ่พระ5 0ารรูปเออทีนี้สาเหตุก็คือพระเจ้าชาติศัตรูถามถึงประโยชน์สุขที่จะพึงได้จากการบวชนะแก่นหรือเนื้อหา ประโยชน์ที่ได้จากการบวชตั้งแต่การได้รับอภัยโทษจากพระเจ้าแผ่นดินจนถึงได้บรรลุอร่าพผลเป็นที่สุดเป็นต้นน่ยในรายละเอียดเป็นอย่างนั้นเออสามัญญพลสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่แสดงถึงประโยชน์สุขที่บุคคลผู้บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาจะพึงได้รับที่เป็นทิฏฐธรรมะเข้าใจคําว่าทิฏฐธรรมะไหมคือจะได้รับผลในปัจจุบันในภพนี้ปัจจุบันนี้ทันตาเห็นอะไรทิฏฐานี่ก็แปลว่าตาเห็นได้เลยประโยชน์ที่เกิดขึ้นในตาเห็นได้ พระเจ้าแสดงธรรมะที่สวนอำมพวันของหมอชีวกกรมวรพัฒแขวงเมืองราชคลึในค่มคืนปฐมยามแห่งวันเพ็ญเดือน12บสองจริงๆก็คือเป็นวันอุโบสถเป็นวันอุโบสถที่งดงามด้วยแสงจันทร์เพื่อบรรเทาความโศกความเสียพระไทยของพระเจ้าชาติศัตรูตอนนั้นน่ยถ้ามองในเนื้อหาสาระตรงนี้เราจะเห็นชัดว่าพระเจ้ า, าชาติศัตรูเนี่ยท่าน เสียพระไทยมากที่ทมมานัดมากเพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสวรนครตใช่ไหมใช่ไมใช่เหตุผลทีพ่พระเจ้าพิมพิสารสวรสคก็เป็นเพราะตนเองนั่นแหละตนเองมีส่วนมากก็คือฆ่าพ่อนั่นเองทาปีตุขาดและพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพระเจ้าเป็นดินด้วยเป็นพ่อด้วยเป็นพระโสดาบันด้วย แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการปกครองในยุคนั้นนะอย่าแปลกใจนะว่าพระเจ้าปินดินที่เกิดที่ขึ้นมาด้วยรัฐประหารเนี่ยก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ร้อนนอนทุกข์นับตั้งแต่วันที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตเนี่ยพระเจ้าอาชาตสตรูเนี่ยหลับตาไม่ลงนะกะวนก歪เออพวกเราเคยมีความทุกข์ถึงขนาดว่านอนไม่ได้ไ ม, มีไหม ทุกใจจนถึงขนาดนอนไม่ได้เนี่ยเราจะเป็นเป็นพักๆใช่ไหยอย่างสมณะนนี่เป็นทุกวันเลยอย่างนี้เป็นเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าเป็นบาปลบกวนจิตใจถึงขนาดนอนไม่ได้หรือเปล่าเป็นเพราะความวิตกกังวลคิดมากหรือมีเรื่องกุ้มกุ้มบาปมาลบกวนตลอดเวลาเลยไม่สามารถที่จะนอนลงเป็นไหมเป็นเพราะตรงนี้หรือเปล่าถือว่าเป็นโรคเดียวกันไหมจัด จัดได้ไม้มว่าเป็นกลุ่มเดียวกันจัดได้ไหยจริงๆเรากระวนกระวายใจเพราะเพราะไอ้อดีตเพราะเรื่องราวต่างๆที่เราทำมาเวลานอนฝันฝันดี้ยโดยมากแต่โดยส่วนใหญ่จะฝันไม่ไดีใช่ั้ย เออตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่าเนี่ยพระเจ้าชาติสตูเนี่ยจะมีปัญหาด้านด้านสุขภาพด้านจิตใจสูงเหตุผลก็เพราะว่าทํากรรมคนนั่งและแต่สังเกตพฤติกรรมของพระเจ้าชาติสตูเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมีสติปัญญาค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีความปรารถนาอยากจะได้เมืองอยากแฝนวัชีมาเป็นคนตัเองเนี่ยเวลาคิดแผนการรบแต่ละครั้งเนี่ยไม่นอนด้ย ยืนก็คิดเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดเดีไม่เป็นการไม่คลรบ <c oughs> ตรงนี้ก็คือเนี่ยตอนนั้นก็คือทํานองดูในพระสูตรท่านจะกล่าวตามลําดับอย่างนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่สวนนภวันของหมอชีวโกมาลพัทกุงราชคลพร้อมได้พิสูจน์สองหมู่ใหญ่ประมาณหนึ่รูป วันนั้นเป็นวันอุโบสถขึ้น15คหาคำเป็นวันครบรอบ4เดือนฤดูของดอกโกมุตบานนี่แหละในราตีพระจันทร์เต็มดวงนั้นพระเจ้าเป็นดินมคตเนี่ยมีนาว่าชาติสตรูเวเทหีบุตรก็เป็นบุตรของเวเทหิเนี่ยแวดล้อมไปด้วยราชอมาตย์ประทับณนะปราสาทชั้นบนขนานั้นน่ะเท้าเธอก็เปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย ราตีมีพระจันทร์แจ่มกระจ่างหน้ารื่นลมหนอมองไปดูองคจันทร์ราตีพระจันทร์แจ่มกระจ่างช่างงามจริงหนอราตีมีพระจันทร์แจ่มกระจ่างช่างน้าชมจริงหนอราตีมีพระจันทร์แจ่มกระจ่างหน้าเบิกบานจริงหนอเนี่ยภาลนาเนี่ยนะราตีพระจันทร์แจ่มกระจ่างเข้าลักษณะจริงหนอวันนี้เราควรจะเข้าไปหาสมณะหรือผ่าผู้ใดดีที่จิตของเราผู้เข้าไปหาจะพึงเลื่อมใสได้ ขันเท้าเธอมีพระราชดำรัสอย่างนี้แล้วเหล่าอมารานั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพปุรนักกะสปะปรากฏว่าเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้ารัติหาชนยกย่องว่าดีเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมีอายุล่วงการผ่านวัยมาโดยดําดับขอพระองค์เสด็จไปหาท่านปุรนักกะสปะเถิดเห็นด้วยกล่าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาปุรนักกะสปะแล้วพระไทยก็จะพึงเลื่อมใส เมื่อมาดกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอก็นิ่งอยู่หนึ่งราชามาดอีกคนหนึ่งก็กราบทูลอีกบอกว่ามคคาริโคสาระปรากฏเป็นเจ้าหมูเป็นเจ้าคณะเป็นอาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้ารัฐิมหาชนยกย่องเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมีอายุมากล่วงการผ่านวัยมาโดยลําดับขอพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านมาคคริโคสารเถิดเห็นโดยกล่าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหา มัคคิโศาระแล้วพัะไทยก็จะพึงเรื่อมใสเมื่ออามาตย์กราบถูนอย่างนี้แล้วเท้าเธอก็นิ่งอยู่คนที่สามก็ลุกขึ้นมาอี ก, กว่าข้าแต่สมมติอเทพอาชิตาเกศกรรมพลเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีเกียรติยศมีชื่อเสียงเป็นเจ้ารธิมหมาชนก็ยกย่องว่าเป็นคนแก่บวชมานานเก่าแก่น่ล่วงการผ่านวัยมาเดยลาดับถ้าเข้าไปหาอาชิตาเกศ เกศกรมพลแล้วเนี่ยผ้าไทายผ้าไทายก็จะเลื่อมใสเมื่อกราบธูนอย่างนั้นแล้วท่านก็ น, นิ่งต่อมาก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าปกขุทกัจยนะที่เป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้าคณะพวกนั้นเป็นมีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งก็ท่านสัญชัยเวรพบุตรเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้ารอที่มหาชนยกย่องเป็นคนเก่าแก่บวชมานาน ร่วงการผ่านวัยมาโดยลําดับขอพระองค์เสด็จเข้าไปหาสัญชายเวทพระบุตรเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเข้าไปแล้วพระหัตถายจะชื่นบานคนสุดท้ายก็บอกว่าท่านนิครนนาตบุตรปรากฏว่าเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าเลยทีมาชนยกยองเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมียรู้ร่วงการผ่านวัยมาโดยลาดับขอพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านนิครนนาตบุตรนั้นเถิดเห็นด้วยกล่าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านนิครนนาตบุตรแล้ว พระฮารุไทยจะพึงเลื่อมใสอามากกราบทูลอย่างนี้แล้วปุ๊บท่านเท้าเธอคนนิ่งทำไมถึงนิ่งนั้นบรรดาปุรณาัสป่ามัครีโคสาละอชิตาเกศกรมพลปกุทธกัจนะสันชัยเวลาพระบุตรแล้วก็นิค น, นาตบุตรแต่ไม่ได้ประสงค์ที่จะทรงไม่ ไม่ไม่ประสงค์จึงเสด็จเข้าถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าในสามัญยพระสูตรก่อนเนะี่ยคล้ายคึงกับพระสูตรอื่นๆตามลําดับก็คือส่วนที่1ว่าด้วยาฐานกถานี่เออนี่านฐานะคาถาว่าประวัติความเป็นมาก่อนที่พระเจ้าจะแสดงพระพธรรมเทศนาเนี่ยก็เล่าเรื่องความเป็นมาเล่าเรื่องครูทั้ง6ใช่ไหมก่อนที่พระจะไปถึงพระเจ้าอันนี้ก็เนิทานคาถาส่วนที่2ก็เทศนาลำพ้าเป็นเนื้อหาเป็นแก่นเรื่องเลย ส่วนที่3ก็เป็นนิคมกะถาก็คือนิคมณะก็คือบทสรุปทั้ง3ส่วนนี้ก็จะถ้าในพระไตรปิฎกนี้ไม่ได้เป็นฉบับไม่ได้ระบุไว้ในในต้นฉบับบาลีในพระไตรปิฎกแต่จะมีชี้แจง ในคมพีอธิบายเช่นอัตกถาบ้างดีกาบ้างเนติปกกรบ้างคติปกกรเป็นต้นน่ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่แต่อัตกถาดีกาเองท่านก็ไม่ได้ระบุไว้เช่นกันดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาที่เขาเรียกว่าสุเตสีผู้ศึกษาคนคว้าหาความรู้ที่จะต้องแยกแยะส่วนต่างๆของแต่ละสูตรเพื่อให้มองเห็นโครงสร้างใหญ่ๆก่อนที่จะเจาะเข้าไปในสิ่งที่เป็นแก่นหในพระธรรมเทศนา นั้นตรงนี้ก็คือบุคคลที่จะศึกษาพระไตรปิฎกก็จะต้องเมื่ออ่านแล้วก็จะต้องสามารถสรุปจับโครงสร้างได้อาศัยว่าเป็นคนที่ผ่านพระไตรปิด ก, กมาอัตถาอธิกามามากวันละมัเจอเนื้อหาปุ๊บนี่ก็จะมีความเข้าใจทันทีว่าเออสาระของพระสูตรแก่นของพระสูตรอยู่ที่ไหนส่วนที่เป็นเนื้อหาของพระสูตรเนี่ยส่วนที่1ก็เรื่อนิทา น, นากัตถะในพระสูตรเนี่ยเริ่มตั้งแต่พระบารีข้อที่150จนถึงร้อมีเนื้อหาโดยสังเขต ตรงนี้เอาสังเขบก่อนนะคือค่ำคืนวันนั้นเป็นวันอุโบสถวันเพ็ญเดือน12ที่บอกมณิษฐ์คู่เนี้ยเป็นวันเวลาเดียวกันกับที่พระองค์ประทับอยู่ที่ชีวกาอพาวันของหมอชีวโกมาลพั์เหมืองราชคลือพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หนึ่งรอเอ้พอรย 1, รูปในคืนนั้นน่พระเจ้าแคสตรรประทับอยู่บนปราสาทพร้อมด้วยราชบริพาร ตอนนั้นท่านก็เปล่งอุทานเมื่อสังเกตข้ามคืนนี้เป็นคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงท้องฟ้าสดใสไร้เมฆาเนี่ยแต่จิตใจของเราที่หนาและช่างมนมองเหลือเกินสมณาาพราหมณ์ท่านใดหนอที่จะสามารถเยียวยารักษาจิตของเราให้มีความผ่องใสสดชื่นเนบิกบานได้ก็ถามกลุ่มอมารทั้งหลายอมาตเหล่านั้นก็ควรเข้าไปหาสมณพราหมณ์ท่านใดท่านหนึ่งอมาตนั้นก็กราบทูลว่าปุรณกัสปะดังที่ได้บอกมา ว่าปุรณะกสป่าเนี่ยเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือมากมีชื่อเสียงบวชมานานเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัยวุธเข้าใจคําว่าวัยวุตหากพระองค์ได้ทรงเข้าไปหาท่านผู้นี้แล้วจะได้ให้พระไทยของพระองค์นั้นผ่องใสสดชื่นเบิกบานอย่างแน่แท้พระเจ้าชาติสูก็นิ่งเฉย อมาตถ์ท่านหนึ่งก็บอกว่ามาคคาริโคสาระสิอีกท่านหนึ่งก็ว่าอชิตาเกสสะกมพลอีกท่านหนึ่งก็ปรกากฏท่ากระจายนะาอีกท่านหนึ่งสันชัยเว ร, ระบุตรคนสุดท้ายก็บอกนี่คนนัตบุตรพาพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูก็นิ่งเฉยแต่เหลือไปเห็นหมอชีวกโกมารพัฒนิ่งเฉยอยู่ไม่เสนอแนะอะไรจึงได้ตรัสถามว่าชีวกเพราะเหตุใดเธอจึงนิ่งหมอชีวกโกมารพัฒก็กราบทูลว่าขอเดชะขณะนี้ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เนี่ย 1,250 ร้ปประทับอยู่ที่สวนอัมพวันของข้าพระองค์พระบระมา ศ, าศาสดาทรงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเรื่องหรือว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา8จระเป็นผู้ประกาศสัจ ธ, ธรรมทรง รอบรู้เรื่องสัตวโลกเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบุญบา ร, รมีหาใครเปรียบมิได้หากพระองค์ได้เสร็จเข้าไปหาพระบระมาศาสดาแล้วก็จะเป็นผู้มีผ้าไทยสดใสเบิกบานอย่างแน่แท้ในที่สุดพระเจ้าชาติตูก็ตัดสินใจไปเฝ้าพระบระมาศาสดาใช่ไหมเนต้นเนี่ยทีนี้ถ้าในตัวเนื้อของพระสูตรเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แต่สรู้ชอบได้เดีวยวพระค์เป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาเสร็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุตรที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมะขอพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสรรมัมพุทธเจ้าเถิดเห็นด้วยกล้าวว่าเมื่อพระองค์นเะสด็จเข้าไปเฝ้าพรพุทธเจ้าแล้วภาไทยก็จะเลื่อมใสเท้าเธอก็มีพระราชำดำรัสกับหมอชีวกผู้เป็นสหายว่า ถ้าอย่างนั้นท่านจงให้เตรียมหัตถียานไว้เข้าใจครับว่าหัตถียานไหมเคืออะไรเออนั่นแหละหมอชีวกกมาราาพัฒก็รับพระราชโองการและสั่งให้เตรียมช้างร้อยเชือกเออไม่ใช่ห้าร้อยเชือกต้องดูนะกระบวนที่ไปนะและช้างพระที่นั่งเสร็จแล้วก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมติเทพข้าพระองค์สั่งให้เตรียมหัตถียานพร้อมแล้วเชิญพระองค์เสด็จพระเจ้าข้าพระเจ้าเผ่นดินชาวไอพระเจ้าชาตูเวเทหีบุตรโปรดให้สตรีนั้นขึ้นช้างพัง500เชือกและเชือกละนานไม่เอาไม่เอาผู้ชายไปนะ ง, งานนี้เอาผู้หญิงไม่ได้ไปรบนี่ แล้วก็จึงทรงช้างพระที่นั่งมีผู้ถือคบเพลิงเสด็จออกจากกรุงราชคลึด้วยพระราชาุภาพอันยิ่งใหญ่ลองคิดดูดเลยครับนีพอใกล้ถึงสวนอัมพวันเนี่ยเท้าเธอก็หวาดวันครั่นครามสยดสยองเกิดความกลัวมีลมมาชาติชูชัน ฮ <c oughs> <น>ะเออตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่านี่เน่หมอชีวกเธอไม่ได้หลอกลวงเราใช่ไหมที่จริงเวลาไปถึงจริงๆในรายละเอียดคืออย่างนี้ช้างพระที่นั่งทั้งหลายย่อมอยู่นอกวัดไม่สามารถเข้าไปในวัดได้เวลาจะเสด็จเข้าไปเนี่ยก็ต้องไปแบบสามัญชน เครื่องทรงกริสัอะไรทั้งหลายเหล่านี้ตลอดถึงฐานนันดอนทั้งหลายเนี้ออกไวหมดแล้วก็แม่รองเท้าก็ต้องถอดฉลองว่าบาทถึงก็ต้องถอดเดินได้เท้าบ่าเข้าไปนี่เข้าไปอย่างนั้นเนี่ยทีนี้ในขณะที่เ ด, เดินเดินเดินเข้าไปเนี่ยก็ตกใจดีเนี่ยนี่แน่หมอชีวกเธอไม่ได้หลอกลวงเราไปเราแน่ใช่ไหมเนี่ย เธอคงไม่ได้นำเรามามอบแกศัตรูใช่ไหมไหนบอกว่ามีพระสงฆ์อยู่ 1,250 รูปเราไม่เห็นได้ยินเสียงเดินเสียงพูดของใครๆเลยนี่ระแวงไหมกษัตริย์ระแวงแล้วหลังจากที่ได้เสด็จไปถึงบริเวณด้านในของสวนก็ถามอีกว่านี่แน่หมอชีวกหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จริงเวลาในขณะที่เดินเดินไปอาตมาท่านพาลานาถึงเหงื่อซุดหมดแรงนะ ต้งเกาะหมอชีวกเลยงานนี่ตายเนี่เห็นไหมคนที่ทําบาปมาเยอะๆเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ได้บอกว่าพึ่งเป็นไม่ใช่เป็นดินใหม่ๆด้วยความระแวงสูงมากแล้วก็ไม่รู้ว่ากุมงละหมาดเก่าๆเนี่ยจะเล่นงานตัวเองหรือเปล่าโอ้นี่เป็นเรื่องน่ากลัวเพราะตัเองทํากับหนักใช่ไหมแต่ถ้าเรามองนี้จะเห็นนะว่า ในตระกูลของพระเจ้าพิมพิสาเนี่ยทำปิตุคาศไปห้าโชคนนะอภัยพัฒ ท, ที่เป็นลูกของพระเจ้าชาตูรุ่งก็ฆ่าพ่อคือเจ้าชาติรุ่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้อภัยพัฒก็ถูกลูกฆ่าอย่างเป็นไปตามเป็นอย่างเงี้ยจันวงนี้ก็ถูกกลุ่มอมตททารัฐประหารบอกโเป็นวงไม่ดีวงปิตุคาศฆ่าทิ้งเปลี่ยนวงใหม่อย่างเงี้ยในเรื่องการปกครองนั้นเราจะยังไม่พูดถึง แต่พระยาชาตุนนี่มีบทบาทในพุทธศาสนามากในการทำปฐมสังคยนาในการที่ร้อยกองปทวนันการที่จะรวบรวมพระปรมาสารีะระกธาตการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปเนี่ยท่านทำเต็มที่นะเป็นู้มีศรัทธาในพระเจามากอ้าวรต่อตอนนั้นหมอชีวก็กราบทูลว่าขอเดชะ บกคคลบูปถับนั่งในถ้ำกลางสงหันหลังให้ต้นเสาผินพระพักไปด้านทิศตะวันออกนั่นแหละคือพระปรมศา ส, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะข้าสังเกต ด, ดูนะว่าภิกษุสงฆ์หนึ่งนรูปนั่งพุทธเจ้านั่งอยู่ด้านบนหันพระพักไปทางทิศตะวันออกเหมือนในวันที่พระเจ้าจัสรู้สัมมาสัมพุิญาณแล้วก็นั่งนิงน่งๆแล้วก็ภิกษุสงฆ์1250งพัรูปก็นั่งนิงน่งๆกันท่านเขานั่งทําอะไรกัน เขามองพระรูปของพระพุทธเจ้ามองพระรูปแล้วก็กำหนดถึงมหาภุริษาระขณะ32ประการและนุบัญญัติแพระพุทธเจ้าให้เห็นพระเหล่านั้นก็เจริญพุทธคุณว่าพระพุทธเจ้าทำกรรมอะไรมาท่านรู้หมดทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ทำอุโบสถรักษาอุโบสถศีลมาเป็นพระบารมีมาบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมาธรรมบารมีสิบมาอย่างยาวนานจึงมีพระเนตรแบบนี้มีพระกันแบบนี้มีพระชงมีพระนาศิกมีริมพระมีพระโอ์มีพระทันตมีลำพระซอนี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างมาเนี่ยด้วยกําลังของกุศลกรรมในนอแลเขาเจริญนี้ปาโมดพิจิก็เกิดขึ้นแล้วแค่มนั่งนิ่ง นั้นการนั่งนิ่งอย่างภระริยะเนี่ยไม่ควรดูหมิ่นใช่มพระท่านบอกเวลาพระอยู่ด้วยกันเนี่ยให้ทํากิจสองอย่างสนทนาธรรมะ ก, กับนั่งนิ่งนิ่งแล้วมานัสการกรรมฐานในพวกเราละ่าะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราทํากิจแบบนี้ไหมเวลาอยู่นิ่งๆ่งนี่ตอนนั้นเราคิดถึงใครมานัสกา ร, รกรรมฐานไหมเออหมอชิวาก็กราบทูล พระเจ้าชาติโได้เสด็จไปประทับนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็เปล่งอุทานขอให้พระราชกุมารอุไทยพัทจงเป็นผู้สงบเช่นนี้เถิดขอให้พระราชกุมาร อ, อุไทยพัทจงเป็นผู้สงบเช่นนี้เถิดทำไมไปอุทานแบบนี้นะนพระเจ้าตรัสว่ามหากพิตรพระองค์ได้ส่งใจไปถึงผู้ที่พระองค์รักเสียแล้วนี่ บองบอกถึงว่าสติไม่ได้ไม่ได้อยู่เลยฟุ้งซ่านเนี่ยเข้าใจยังเหมือนเราเนี่ยฟังธรรมอยู่ตรงเนี้ยเด้ยวใจไปเรื่องนู้นใจไปเรื่องนี้กลมบุกคอยเหล่านี้ไม่ต้องพูดเรื่องการบรรลุธรรมใจมันไปหมดแล้วเราเป็นแบบนี้ไหมเหมือนพระเจ้าชาตูไหมเหมือนไม่เหมือนถ้าเหมือน ก็จะไม่สามารถเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยของพระศาสดาได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเป็นการฟังธรรมที่ไม่ตั้งใจฟังไม่นอบนอบ้อมไม่เคารพแต่ที่จะโอ้โหนึกถึงตนเองแต่ไปนึกถึงลูกพระเจ้าจึงท้วงเลยบอกว่ามหาบาพิษพระองค์ได้ทรงใจไปถึงผู้ที่พระองค์รักเสียแล้วพระเจ้าชาติกราบดุลคราบข้าพระองค์รักใทยพระราชกุมาอุทยัยพัดมาก ต้องการที่ให้เธอเป็นผู้สงบเช่นนี้ดูไปอย่างนั้นเลยแทนที่จะน้อมไปเพื่อขัดเกลาตัวเองกลับไปคิดถึงใครเหมือนเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านเสร็จปุ๊บพอเราเกิดความเข้าใจแล้วคิดถึงใครอยากจะไปบอกคนนั้นเคยไหมไอ้คิดแบบนี้จิตประเภทแบบนี้เคยเป็นไหมคิดยังไงเวลาอ่านเจตการ เวลาอ่านพระไตรปิฎกให้มนาสการว่าเรากําลังฟั ง, ฟงทำจากพระพุทธเจ้าให้มนาสิการอย่างนั้นตลอดว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมให้เราฟังถ้าไม่ใส่ใจอย่างนี้แล้วความนอบน้อมไม่เกิดจากการอ่านพระไตรปิฎกความเข้าใจก็จะไม่ค่อยถึงนีโอ้ต้องฝึกเยอะเลยเป็นอย่างนี้ไหมเวลาอ่านพระไตรปิฎกแต่ละครั้งนี่พระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมให้แกเราไหมหนูคิดอย่างนี้ไหม คิดรึป่าคิดไหมคิดเวลาอ่านพระธรวิโดคิดแบบนี้ไหมไม่ได้คิดเลยว่าพุระรยากําลังแสดงธรรให้เราเลยฟังเลยไม่ได้มานัศการใจแบบนี้เลยต่อไปให้มนัศการใจแบบนี้นะให้มนัศการจิตใจแบบนี้ต่อจากนั้นพระเจ้าชาติตัวกับบังคมทูลถามปัญหากับพระร้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในโลกเนี้ ผู้ที่มีวิชาความรู้ในด้านต่างๆสามารถนำวิชาความรู้มาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างเป็นรู ป, ปรธรรมจึงขอากา ร, ร, าราบราตนาพระองค์ได้โปรดแสดงอ น, นิสงส์ที่จะพึงได้จากการออกบวชเพื่อเป็นความรู้แก่ข้าพราะองค์ด้วยเถิดอันนี้ถามประเด็นแรกอย่งตรงเนี้ยนะลำดับในการถามถามเลยต้อง ที่จริงตรงนี้ต้องไปพูดถึงในเรื่องก่อนที่จะถามปัญหาเนี่ยต้องไปพูดถึงบรรดาครูทั้งหกถ้าก็าไล่ตามพระสูตรก็พูดถึงเรื่องครูทั้งหก่อนครูทั้งหในบรรดาพระเจ้าชาติตูก็เปรสรุปประเด็นของครูทั้ง6ก่อนนะก่อนที่จะจะสนทนาเรื่องตรงนี้อันนี้สงเกตเกิดจากการบวช ทำไมพระเจ้าชาตูถึงไม่ไปหาครูล ะ, ล ะ, ท, ล ะ, ละทิ้ครูทั้งหกนั้นน่หนึ่งปุรณกัสป่าเออท่านปุรณกัสป่าเนี่ยเป็นบุตรเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตั้งตนเองเป็นาศาสตาในบนนรรดาครูทั้งหกนี่นะในกัมพีสมังกราวิราชณีพระโคสอาจารย์ก็ ได้เขียนว่าท่านผู้นี้เกิดในตระกูลของวันนพราหม์โตขึ้นมาออกบวชเป็นเจ้าระทินิยมการนุ่งล่มห่มฟ้าจึงชีเปื่อยนี่แหละในวัยเด็กเป็นคนรับใช้ในตระกูลของคนรับใช้ในคนที่99ก็คือคนที่แล้วก็ามาเพิ่มก็มาหนึ่งด้เลยกลายเป็นหนึ่งรอพอดีก็เลยเรียกว่าปุรณะแปลว่าเต็มนี่แหละก็มีมติแย้งในตรงนี้ปุรณะก็มาจากการบรรลุโพธิญาณของเขาว่างั้นเถอะ ท่านคนนี้มิสอนว่าวิญญาณเนี่ยนิ่งอยู่เฉยๆไม่ทํางานอะไรนะเป็นอกคเรียวาทีนะก็คือมีความเห็นว่าไม่ว่าจะทําดีหรือทำชั่วไม่เป็นอันธรรมใครจะทําไม่ดีอย่างไรก็ไม่เชื่อเป็นการทําบาปกรรมถึงจะฆ่าทุกชนิดบนผื้นแผ่นดินนี้แล้วนำมากองไว้ที่เดียวกันก็ไม่นับว่าเป็นบาปกรรมกรรมที่ทำเไยแล้วจะไม่มาตามสนองเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้ แล้วก็พูดถึงในเรื่องของผู้ที่อยู่ด้านทิศตะวันทิศใต้ของแม่น้ํำคงคาส่วนใหญ่เป็นคนโหดเที่ยมแม้พวกเขาจะฆ่าเองก็ดีให้คนอื่นฆ่าก็ดีพวกเขาเขาไม่เรียกว่าบาปรกรรมและบาปรกรรมนั้นจะไม่ตามสนองส่วนบุคคลที่อยู่ทางทิศตะวันทิศเหนือของแม่น้ํำคงคาส่วนใหญ่เป็นคนใจบุญ จะทำบุญขนาดไหนก็ไม่เรียกว่าเป็นการกระทำบุญแล้วบุญนั้นก็ไม่สามารถจะส่งผลได้เนี่ยพณกักกสปะเนี่ยเขาเรียกบุญก็ไม่มีบาปก็มีทำดีก็ไม่ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วทำเองก็ดีให้ผู้อื่นทำก็ดีย่อมไม่มีผลสิ่งใดก็ตามที่ได้ทำลงไปแล้วดีก็ตามไม่ดีก็ตามเท่ากับไม่ได้ทำไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปทฤษฎีนี้เรียกว่าอกคคีญาทิฏฐิเป็นความเชื่อที่ว่าการกระทำไม่มีผลไม่ไม่เชื่อในผลของกรรม ซึ่งค้านคําสอนของพระบรมศาสดากายกับจิตเป็นสิ่งที่เนื่องโดยการแยกกันไม่ได้ทําการเช่นใดยได้รับผลเช่นนั้นน่ยหลักการเนี่ยอัคคียทิฏฐิหรืออกคคียวาทีเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมการกายกรรมวิจีกรรมทั้งหลายพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่เรียกว่าบุญไม่เรียกว่าบาปไม่เรียกเป็นการกระทําบุญกระทําบาปใดๆทั้งนั้นเป็นอกคคียวาทะมีไหมคนที่เห็นแบบนี้ เออมีใครนะที่ในสมัยที่มีในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งที่ไปหาไอ้กลุ่มทิฏฐิแบบนี้ปุ๊บพอกลับมาแล้วก็ไม่ไหวเลยอะชื่ออะไรนะ่าจำได้ไหมฮะนารักษาสาจะใช่ไหมลุกขึ้นมาไม่ต้องไหว้เลยเ <c oughs> ขาไหว้เขาไม่เรียกว่าเป็นความดีใช่ไหมจะกระทืบก็ได้จะไหว้ก็ได้าไดวางกงเถอโอ้ โ, อโหไม่ไปสอนอย่างนี้นสอนเสร็จปั้มโอ้โหได้ทิฐิเลย แล้วอยู่ต่อมาก็มาเป็นอุรุเวลากรสบใช่ไหมใช่ไหมมาเป็นชดินนี่ว่ะอ่าต่อมาก็ม า, มาเป็นชดินนี่หลายกลุ่มนี้โอโ้โหนี่ประการที่สองคือมัคคิริโคสาระอันนี้เป็นพรามเหมือนกันบรรดาชื่อว่าพัฒราเกิดในหมู่บ้านสารวัน ไกลเมืองสาวัตถีเป็นคนชาวสาวัตถีปุรณกัสปาดนี่เป็นเกิดในเมืองไหนไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาไว้มัคริโคสาราเนี่ยสาวัตถีสาระโคสาราเนี่ยแปลว่าเกิดในอคอกูโคก็คือโคสาราแปลว่าอคอกเป็นเด็กรับใช้ วันนึงก็อุ้มหมอ้อนมเนี่ยไปตามถนนประมาทเอาลืมไอเ จ, จ้านายก็บอกว่ามาคาริมาคาริอย่าลื่นอย่าลื่นเลชื่อมัคคาิไปเลยจากมากลายเป็นมัคคาิไอชื่อนี่มันจะเ ป, เปลี่ยนแบบนี้นะเหมือนไม้กลางเขนเรียกไปเรียกมามันมาอย่างไม้กลางแขนนะเรียกไปเรียกมาภาษาไทยมันละอิสลามหลุดไปตัวเลยกลายเป็นไม้กลางเขนที่งยิงไม้กางแขนถูกกางแขนตึงไม้กางแขนอยู่ การเขนมันไม่มีกลางแขนออกนั่นแหละแล้วก็ตึงไว้ตะปูตอกไว้พูดไปพูดมามันก็หลุดเหมือนคําว่าขายันใช่ไหมพูดไปพูดมาเลยสั้นบงเรือมันขยันขยันลิ้นของคนไดเลยแต่ขยันก็ไอคนขยันเนี่ยขามันไม่อยู่นิ่งมันยันไปเรื่อยก็เลยขายันขยันไอภาษาบางทีมันหลุดหลุดไปอย่างเงี้เรียกกันไปเรียกมันก็เพี้ยนนในกันมาคริ ก็กลายเป็นมักคลิเลยเป็นชื่อไปเลยในนะั้นทีนี้มตินี้เป็นผู้มางคนก็แยงนะแยงพรามจะไปลดตัวเป็นคนใช้ยิ่งในสมัยก่อนพุทธการวันนะเข้มแข็งละตินี้มีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาเชนคือท่านเป็นอาจารย์เจ้ารัติของอาชิวกเป็นลูกศิษย์คนแรกของาศาสดาคือปารสวรรณธ ต้นกำเนิดของศาสนาชีิะเคยเป็นอาจารย์ของนิครนนาตบุตรเมื่อก่อนและที่นี้ก็มีชีวิตแบบโซกโปกไม่รับประทานอาหารที่เขาจะจองจงถวายไม่รับอาหารที่มีสุนัขอยู่ข้างๆหรือมีแมลงวันตอมอยู่อันนี้หมายถึงรัตทีของนิครน น, ะนอาจารย์ของท่านเคยเป็นอาจารย์ของนิครนมาก่อน ไม่ดื่มสุราของหมืนเมาไม่สะสมเขัาเป็นตัวเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกไม่สูญหายไปไหนแต่ลัทีิแต่ละที่นี้นะลัที่ของมคคริโคสาระถือว่าไม่ว่าพบชั้นต่ำหรือสูงสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีการกระทนะไม่มีการไม่มีผลของการกระทา ไม่มีการกระทําที่เป็นเหตุถึงความเศร้าหมองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการบังเอิญโชควาสนาด้วยอํานาจของดวงดาวการกระทําทุกอย่างอยู่ภายใต้ชะตากรรมอิทธิพลของดวงดาวมีอํานาจเหนือสิ่งใดในพบนี้แม้แต่พระเจ้ายังต้องตกอยู่ภายใต้อานาจของโชคชะตาโอ้โหหนักไปขนาดนี้ได้คาสอนแบบนี้มัคคิิโคสาระจึงจัดเข้าในประเภทอเหิยะทุกอาทิฐิปฏิเสธเหตุเลยนะถ้าดูใน ติดฐานยตนาสูตรมันจะมีรัฐีหนึ่งปุเพรกรตาเหตุวะทะนี่รัธิกรรมเก่าเชื่อกรรมเก่าซึ่งนักเข้านักเข้าก็เลยพุทธเราก็เลยเพี้ยนไปเป็นไงเพี้ยนรัฐิกรรมเก่ากันเยอะใช่ไหมเชื่อกรรมเก่าทุกอย่างก็โทษในกรรมเนีน่ยดีอีกรัฐีหนึ่งก็คืออิสรานิมานวาทะอันนี้ก็คือเชื่อว่ามีเทพเจ้าหรือพระเจ้าหรือพระพรหมทั้งหลายตนบรันรดาลคอยบงการชีวิตให้มนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายได้รับสุขได้ทุกได้รับทุก แล้วก็เป็นผู้โดนบันดาลในสรรพสิ่งเกิดด้วยสันลตทิทฐิสามกเ็เอเหตุกาวาทะนี่ไงมคลิริโคสาระเนี่ยสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุปัจจัยเป็นการบังเอิญบอกว่าเป็นมาจากอยู่ภายใต้ชะตากรรมด้วยอำนาจของดวงดาวนี่แหละอิทธิพลของดวงดาวมีอำนาจเหนือสิ่งใดในพิภพด้วยแม้แต่พระเจ้าท่วันแน่แน่ทั้งหลายก็ยังอยู่ใต้อานาจของ ดวงดาวนี่เลยของโชควาสนาเลยว่างั้นเถอะเนีย่ยเป็นสิ่งที่กลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสิ่งทั้งหลายเป็นม้ามันเองโดยโดยมันเองแล้วเมื่อเพื่อมันเองไม่มีใครสร้างและเนลามิตขึ้นมาแนวคําสอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไร้ประโยชน์ที่สุดในบรรดาลทัทธิทั้งหลายว่างั้นเถอะก็หมายความว่ า, วาลัทธินี้สืบต่อกันมาไม่นานก็จะขาดหายคือ คือบรรดาลทัทธิลักษณะเนี่ยพุทธเจ้าใช้คําว่า เ, เสียหายมากถ้าเป็นพวกโปรเพกระต่ายเฮตุวาทันเนี่ยเขาเรียกว่าเร็วโดวยส่วนเดียวเฉพาะส่วนในปัจจุบันประมาทถ้าอิสระนิมานาทะเร็วสองส่วนเร็วสองส่วนก็คือว่าส่วนอดีตก็ม่มีใครมาดนบรรนานจริงหลอกแม้ปัจจุบันก็ยังมาประมาทมัวเมาเขาอีกชีวิตก็รอผลดนบรรดาลส่วนประเภทอเฮตุกาวาทัเนี่ยเร็วทุกส่วนเลยเสียหายทุกส่วนเลย เป็นเป็นเป็นลัทธิเป็นความเชื่อที่ปฏิเสธปฏิเสธเหตุเ อ, อมคคิโคสาระเป็นอเหตุตุกะวาทีและเป็นสังสารสุดที่วาทีด้วยแปลว่าอะไรรู้ไหมสังสาร ส, สังสารสุดที่วาทีแปลว่าอะไรไม่ใช่สังสาระวะสังสารสุดที่วาตัวที พวกนี้มีความเห็นว่าสังสารวัตรมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวคือตอว่าความสุขและความทุกข์นั้ น, นได้ถูกตวงปริมาณไว้พอดีแล้วด้วยด้วยเครื่องตวงคือจิตสังสารวัตรถูกกำหนดขอบเขตการเวลาไว้อย่างดีแล้วไม่มีไม่มีขาดไม่มีเกินถ้าหากว่าครบ8ล้าน 4 0 0แสนมหากัป ค, คือสิ้นมหากัปเมื่อไหร่สังสารวัตก็จะหยุดหมดตรงที่หยุดนั่นแหละเช่นเดียวกับขนดได้ได้กลมกลมที่เราวงกลมแล้วก็กว้างอย่างสุดฤทธิ์เลยฟึด๊ดนี่แล้วมันจะกิ้งปุ๊ดพอสุดได้มันหยุดมันเองการเวียนว่ายตายเกิดก็เหมือนกันมันจะมีจิตมันตวงไว้หมดแล้ว มันเก็บไว้หมดแล้วว่ามันจะเกิดเท่าไรเท่าไรเท่าไรแต่ละคนเนี่ยนะมันจะเกิดเท่าไรเนี่ยมันบริสุทธ์เองเป็นสังสารสวัตที่ว่าที่มีวาท้าว่าสังสารวัฏเนี่ยที่สุดจริงๆเมื่อเกิดครบ 8.4 ล้านี่แสนมหากัป 8.4 ล้านี่แสนมหากัปครบปุ๊บเ ม, มื่อไรปุ๊บ ENNIS. หยุดตัว หยุดการเวียนว่ายตด้เกินเห็นต้องไปทําอะไรไปเลยมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกอย่างแล้แต่ดวงดาวโชคชะตาทั้งหลายเหล่านี้ ส, สอนกรณีแบบนี้ลทัทธิเนี่ยถ้าใครเข้าไปเห็นเข้าไปติดกับดักลทัทธิความเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนปลาปลาเข้าไปติดอยู่ในรอบออกได้ไหมออกได้หรือไม่ได้ปลาเข้าไปในรอบเคยเห็นรอบดักปลาไหมเคยเห็นไหม ไอ้รอบดักปลาเนี่ยโอ้โหมันน้ำไหลแรงๆบุ่มบุ่มบุมบุมเพื่อไปเนี่ยไอ้รอบยิ่งใหญ่เพอาปลาเข้าไปในนั้นออกไม่ได้คนถ้าหากว่าเอาความเห็นเข้าไปในอีกความเห็นประเภทนี้มันออกไม่ได้เฉะนั้นสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นมันเองไม่มีใครสร้างไม่มีใครนารมิตในคำสอนเนี่ยไร้ประโยชน์ที่สุดเทวดาลที่ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้ ทุกวันยังมีไหมไอความเห็นแบบนี้ยังมีไหมว่ามันจะบริสุทธิ์เองแต่ความเห็นว่าเชื่อโชคชะตามีไหมเชื่อโชคชะตาเชื่อดวงดาวว่ามีอิทธิพลโอ้คนไทยเดียวว่าแต่คนไทยหรือคนในโลกเนี่เชื่อกันเยอะอีกแบบเนี้บอกโอ้ช่วงนี้ดวงดาวตรงนี้มาทับลัคนาตนัวนี้แล้วมีอิทธิพลทําให้เกิดภัยพิบัติทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองจะให้โทษให้คุณอะไรก็ว่ากันอยู่เ น, นี่ยนะเออเนี่ยลีัลทีที่สองมัคริโคสาละเป็นกลุ่มอเหตุกาวทาธาหรือสังสารสุธิวาทีอาชิตาเกศกรรมพลนี่ก่อนพุทธกาลเล็กน้อยนะเกศกรรมพลเนี่ยาแปลผู้มีผ้า น, นุ่งผมที่ทำด้วยผมของคนเอาผมคนมาเป็นผ้า น, นุ่งผมยายาง เป็นผ้าที่หยาบและน่าเกลียดมีแนวความคิดที่รุนแรงคัดค้านทุกรัฐิรวมดังพุทธศาสนาด้วยคนคนนี้สอนบอกว่าสุขทุกขนะสิ่งทุกอย่างเนี่ยาศูนย์ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีมารดาบิดาทำอะไรแล้วก็สักแต่ว่าทาเท่านั้นการบูชาวงสูงไร้ผลการเคารพนับถือผู้คนเคารพก็ไร้ผล ไม่มีโรคนี้ไม่มีโลคหน้าสัตว์ตายแล้วก็ขาดสูนย์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อตายแล้วก็จบที่ป่าช้าไม่มีอะไรเกิดอีกไม่ว่าบาปบุญคุณโทษคนทําบุญคือคนโง่การแสวงหาความสุขจังเป็นสิ่งที่ควรทําความสุขที่ได้จากการป้นสะดมย่องเบาเผาบ้านเรือนสงสารชีวิตเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและทิ่นี้หนักไปทางด้านวัตถุนิยมเป็นพวก อ, อุเฉ ท, ท, ทิฏฐิตายแล้วขาดศูนย์อธิอชิตาเกสกัมพล เอออาิตตเป็นนัทติกาวาทีมันสองงสองทิฏฐิเนี่ยหนึ่งนัติกาวาทีด้วยสองอุเฉทวาทีด้วยไอ้นัทติกาทิฏ ว, วัทวาทีเนี่ยเห็นว่าพ่อแม่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เนี่เออทำบุญทำบาปกับบุคคลเหล่านี้ไม่มีผลหมดลไม่มีผลไร้ผลเพราะงั้นจะจะไปทำดีกับท่านก็นกนกนไร้ผลทำบาปกับท่านก็นกนไร้ผลเนี่ยนย ตายแล้วก็หมดกันพระนิสงค์แห่งการทำบุญให้ทานก็ไม่มีเทวดาก็ไม่มีพพุทธเจ้าพระหันก็ไม่มีทุกอย่างตายแล้วกลายเป็นธาตุสีไ่ไปหมดเลยตายแล้วกลายเป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมไม่มีผลไม่รับไอสง์จากการกระทำอย่างใดการให้ทานเป็นการกระทำของคนโง่เขาบอปัญญาส่วนการรับทานก็เป็นการกระทาของคนผู้ฉลาดทุกทุกสิ่ง ทุกอย่างทุกอย่างสิ้นไปเป็นอันสิ้นไปแล้วขาดศูนย์ไปทันทีไม่มีการส่งผลสรุป แ, แล้วก็คือว่าโอ้โหไอค้คนคนโง่คือคนให้ทานเนี่ยคนรับกาลายเป็นคนฉลาดโอ้โหใจมันคิดอย่างนั้นจัหนักมั้งเนี้ยวัฒนนิยมมากเลยมีไหมไอ้ความคิดแบบเนี้ยเยอะเลยแล่ะเขาบอกเขาทำสำรวจมาแล้ว ไอ้กลุ่มอุเฉทวาธาเนี่ยตายแล้วขาดศูนย์เนี่ยเดอมมากพวกที่ตั้งแต่เรียนปริญญาโทขึ้นไปยเยอะไอ้คนจนๆนี่ไม่เป็นเชี่ยวตายแล้วเกิดนั่นตอนนี้เริ่มแล้ว น, นี่อธิตาเกีตสีปรกุฏทากัจจายนะอันนี้เป็นอัคตาวาทีนะาประกุฏทากัจจายนะ 1นในคณะอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเล่ากันว่าเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นเด็กกระสนใจทางด้านศาสนาอย่างยิ่งโตขึ้นมาก็ออกบวชสังหาโม ก, กะธรรมนี่จยลืมนะเนี่ยอันนี้บรรลุด้วยเาได้กลุ่มนี้เ้าได้ชานนะครับกลุ่มนี้ได้ชานไ ด, ได้ได้กำลังได้ได้มีความพิเศษโตขึ้นออกบวชเนี่ยบรรลุทำที่มุ่งหวงังแล้วก็สั่งสอนกลายเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียง สอนว่าสภาวะที่แยกหรือทําให้แปลเปลี่ยนไปไม่ได้มี7สิ่งนี่เขาไปเห็นเล็กๆเลยนะเห็นละเอียดนะเห็นดินน้ําไฟลมสุกทุกข์และวิญญาณมันมันเล็กมากไอเจ็ดสิ่งเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําหรือใครเนรมิ밋เป็นสภาพที่ยั่งยืนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่แปลเปลี่ยนผู้ฆ่าผู้ถูกฆ่าบาปรกรรมจากการฆ่าก็ไม่มีเป็นเพียงสภาวะที่แทรกเข้าไปในวัตถุ7สิ่งนี้เท่านั้น ความเห็นของปกุธักกัจจนะจัดเป็นสัตสตาธิฐิวเทียงซึ่งเป็นแนวคำสอนที่ตรงกันข้ามอุเบกษาศาสนานนเนี่ยมีความเห็นเป็นอากตาวาทีก็คือผู้มีความเห็นแบบไม่มีความหมายออธรรมชาติเจ็ดสิ่งก็คือปฐวีดินอาโปน้ำแตโชไฟวายโยลมสุขและทุกข์และชีวะเนี่ยชีวิตเนี่ย ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นออตรงนี้เห็นขนาดว่าถ้าเราเอามีดไปฆ่าก็ไม่เรียกว่าฆ่าก็เหมือนกับเอาดินน้ำไฟลมเนี่ยไปสอดเข้ากับดินน้ำไฟลมมันฆ่ามันอยู่ที่ไหนเหรมันไม่มีสัตว์ บ, บุคคล เขาไปเห็นละเอียดขนาดนั้นนะปัญญาของเาเนี่ยเห็นจนกลายเป็นวิจาทิฏฐิได้นะเลยเห็นเห็นเียดเสร็จปุ๊บก็ไปตอบสนองความเห็นของเขาเขาบอกโอ้มือน่าวิเนวิยาศาสตร์เลยเนี่ยไอ้ปรากฏธากระจยเนะเป็นเนาวิยาศาสตรนะ์เป็นเนาวิยาศาสตร์ช น, น, นิดที่ค้นคว้าเองด้วยจิตเนี่ยใช้จิตของตงนเองไปค้นคว้าแล้วไปเห็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมสุขทุกข์แล้วเห็นตัวชีวะไอ้เจสิ่งเนี่ยมันมันเที่ยงแท้แน่นอนนอกนั้นแตกสลายแต่เล็กๆจิ๋วๆตัวเนี้ยไม่เห็นขนาดนั้น เห็นเกิดดับเกิดดับเกระดับเห็นผิด <laughs> ฉะนั้นเวลาเอาอะไรไปแทรกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ถูกไอเจดสิ่งนี่หรอกมันก็ไปแทรกดินน้ำไฟลมแต่ เ, เจดสิ่งมันเล็กถึงขนาดว่ามีดไม่สามารถจะไปแทรกมันได้ปืนไม่สามารถจะไปแทรกมันได้เมื่อมันเกิดออตายไปแล้วมันก็ลองรองลอยไปหาที่เกิดใหม่อย่างนี้นะกลมนี้ก็กลายเป็นคล้ายๆจะเป็นสัตตะคล้ายๆจะเป็นลักษณะอย่างี้ เห็นว่ามันเที่ยงซึ่งเป็นแนวคําสอนที่ตรงกันข้ามไอ้เที่ยงแท้แน่นอนตัวนี้ไม่ตายเป็นไอ้ตัวนี้ไม่ตายเป็นมันไปเรื่อยนี่นะแล้วก็ไม่เรียกว่าฆ่าไม่เรียกว่าถูกฆ่าใดๆก็เพียงว่าเอาดินน้ําไปลมไปแทรกในดินน้าไปลมทิ้งไม่เรียกว่าการฆ่าเลยรรอกเพราะปกติไอ้ตัวนี้มันไม่ตายอยู่แล้วมีตายได้ยังไงมันก็ไปมันเรื่อยแล้วมันก็ไปนเห็นขนาดนั้นนี่นนี่เก่งขนาดนี้นี่สัจสตา ประการที่5สัญชัยเพระพบุตรหรือเวราพบุตรสัญชัยเนี่ยเป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยขงเบิร์ตการภาษารีบุตรพระโมคคัลนะอยู่กับท่านนี่แหละเป็นเจ้าระทีของพวกปริพาชกตั้งสำนักเผยแผ่ทีเมืองราชคลึแฟนมะครตนี่แหละชาวมคตเป็นจํานวนมากต่างนับถือเจ้าระทีเนี่ยแต่เมื่ออค拉สาวกทั้งสองผาหนีไปพร้อมลูกศิษย์ จ, จํานวนมากกอ็อาเจเลือดแล้วก็ตาย สันใจมีแนวคำสอนกลับกรอกเอาแน่นอนไม่ได้ไม่สามารถบัญญัติอะไรตายตัวได้เพราะกลัวผิดบ้างกลัวผิดเนี่ยกลัวผิดหรือว่าไม่รู้โดยสอรว่าไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่มีโลกนี้โลกหน้าจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างเนี่ย ไม่มีวิญญาณจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างทฤษฎีของท่านเนี่ยจัดอยู่ในฝักฝ่ายเอาแน่นอนไม่ได้พูดสัดใส่ลื่นเหมือนปลาไหลก็เอมราวิเขปากไม่ใช่ไม่ฉลาดนะอเอามาราวิเขี้ปากเนี่ยแปลว่าสัดใส่คือตอบได้ทุกแง่ทุกมุมลื่นไปเรื่อยลื่นไปเรื่อยเกิดจากความไม่รู้เนี่ยไม่รู้จริงอย่างทองแท้นี่แหละว่าไง อันนี้กลุ่มสัญชัยเวรพบุตรนั้นสัญชัยเวรพบุตรเนี่ยเป็นอมราวิเคระปมีความเห็นที่ไม่มีจุดยืน <c oughs> ไม่มีจุดยืนถ้ามีใครคนหนึ่งมาถามบอกว่าโลกหน้ามีจริงไหมตนก็จะตอบเฉยๆไปโลกหน้ามีจริงบ้างไม่จริงบ้างมีจริงก็ไม่ใช่ ไม่มีจริงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เองเป็นตัวเราเนี่ยนะลักษณะจะเป็นคำตอบเฉยไปลักษณะแบบนี้ส่วนลัทีที่ค่อนข้างแม้ในปัจจุบันยังเด่นชัดอยู่ก็คือนิครนนาตบุตรเนี่ยศาสดรหามาวิรานี่ออ <c oughs> ประวัติน่าสนใจมากเนี่ยเกิดก่อนพุทธกาลประมาณเราสี่สิบสามปี นี่คนนาตบุตรหรือมหาวิระเนี่ยก่อตั้งรัฐิขึ้นปัจจุบันเรียกว่าศาสนาเชนนี่คนนาตบุตรเนี่ยนับเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในบรรดาครูทั้ง6เกิดที่กุลทคามเมืองไพยศล์ลีตรงนี้เห็นได้ชัดตอนเกิดทุกภิกภัยเนี่ยตอนนั้นตกศาสนานี่ตกที่เกิดภัยที่เกิดจากโรคภัยแค่เจ็บเกิดจาก ใครที่เกิดจากอมนุษย์เบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บแล้วเกิดทุกพิฆภัยทั้งหลายเหล่านี้นะภัยจากความอดอยากกันนตอนนั้นน่ยาศาสดาหมหาวิราอยู่แต่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับชาวเมืองเวสาลีได้ภัยสาลีได้จนถึงข น, นาส่งทูตมารัตนาพุทธิยาที่อยู่กรุงราชฤๅษให้ไปโปลุกแล้วพุทธิยาก็ทําให้กรุงภัยสาลีเนี่ยสงบปราบขาบได้เนีย่ยนะตรงนั้นเสียชื่อเสียงไปเยอะ แต่ว่านี่คนน่าจะบทที่นับงน่าสนใจก็คือในควันวัชีบิดามีนามว่าสิทธัตถะหรือสิทธารถะเป็นกรรษัตริย์ลิชวีพระองค์หนึ่งมารดาชื่อว่าตาฤศลาเนื่องจากเป็นคนกล้าหาญจึงได้เชื่อมหาวีระก็แปลผู้กล้ า, ลาอาหาญออกบวชแสวงหาโมกะธรรมอยู่12ปีบรรลุโมกษะบรรลุแล้วก็ได้นามวาชินะก็แปลผู้ชนะเหมือนกัน ท่านเป็นสิทธิ์ของปราสวาปราสวาก็คือเป็นซึ่งถือเป็นาศาสดาองค์ที่ยีสามผู้มีอายุห่างจากมหาวิราชเนี่ยาปีคำว่ า, าศาสดาในาศาสนาเชนเ็าเรียกว่าติดทั้งกอนะติดติดทั้งกอก็แปลวผู้ถึงท่าคือพระนิพพานเนะ์เหมือนกับติดทิยะติดทยะ ดิลีมาจากคำว่าติดทีติดถังก่อนก็คือคนละคนะท่าโดยมหาวิราเนี่ยเป็นองค์ที่ยี่สิบี่สั่งสอนอยู่สามสิบปีจึงนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าถ้ามองถึงว่าสาวกของนิคนหน้าตาบดเป็นจำนวนมากที่เปลี่ยนมาเป็นพุทธาสาวกนะจากศาสานาเชนเนี่ย จะมีเยอะในสมัยก่อนจะมีอย่างยกตัวอย่างเช่นเทนึกนึกออกอุบาลีก็เราวดีเนี่ยก็เป็นสาวกของาศาสนาเชนต่อมาก็มาถือพทธเจ้าแล้วเป็นพระโสดาบันด้วยเออถ้ามองเรื่องาศาสนาเชนเป็นาศาสนาถือหลักการไม่เบียดเบียนหิงสาอย่างเอกโอแนวคิดที่ใกล้กันกับพุทธศาสนาแต่เป็นขั้นเป็นอัตกิรธมถานนิยมนีมันมันเกินมันเลยเธอเลยทงไปเนี่ย นันในกลุ่มลทัทธิที่ทรมานตนเองอย่างเงี้ยเห็นได้ชัดแม้พระเจ้าเองก็ยังเคยทำมาแล้วอลักษณะทรมานตนเองแบบนี้เปือยกายและมีดอกจันที่หน้าอกเท่านั้นปัจจุบันก็มีชนหรือว่าศาสนกเนี่ยในศาสนาเชนก็น่าจะเป็น 6-7 ล้านไปแล้ว mm. ประมาณนั้นเยอะโดยมากเป็นคนรวยเป็นคนมีฐานะ วัดของศาสนาเชนเนี่ยเป็นวัดที่โอ้โหสร้างด้วยอิฐอย่างดีงดงามถ้าเข้าไปดูจ้ถ้าไปอินเดียเนี่ย น, ยนยีแล้วแปลกมากศาสนาเชนไม่ค่อยโดนทำลายตอนสมัยอิสลามเข้ามา อ, นนอันนี้ก็ถือว่าเขาเก่งนะการที่จะนําไปสู่โมกษาได้นั้นต้องอาศัยแก้วสามดวงก็คือความเห็นที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องมีความประพฤติที่ถูกต้องเท่านั้นพระเจ้าเป็นเรื่องเหลีวไหล พระเจ้าไม่สามารถโดนบันดาลสุขทุกข์ให้ใครได้ทุกสุขเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกรรมนี่อันนี้การอ้อนวอนก็เป็นสิ่งไร้สาระไร้ประโยชน์ไม่มีสาร ะ, ะ ท, ที่ถือการบุญเป็นตนให้ลำบากเขาเรียกอัตกิรมฐานุโยกนย่เป็นการนำทางไปสู่การบรรลุธรรมที่เรียกว่าโมกษะผู้ที่ฝึกตนเองดีแล้วก็ไม่หวั่นไหวในทุกที่ทุกสถานที่ทเกิดทั้งร่างกายและเ ว, จ, ว จ, จิตใจ ท่านมหาวิระเนี่ยบำเพ็ญคันติธรรมนานไม่ขยับเขยื้อนไปไหนจนเถาวันเนี่ยขึ้นพันรอบกายจากนั้นนักบวชเชน ย, ยังต้องรักษาศีล5ข้ออย่างเคร่งครัดเว้นจากการฆ่าสัตว์การฆ่าสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งพืช ด, ด้วน mm hmm. เว้นการพูดเทศเว้นการลักทรัพย์เว้นการประพฤติผิดในการมไม่ยินดีในวัตถุกรรมเลยศาสนกของเชนก็ ร, รักษาศีลอีก12ข้อโดยเว้นจากการฆ่ารวมทั้งพืช เว้นจาการพูดเทศเว้นในการรักทรัพเว้นในการประพฤติผิดในกาง ม, มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีเว้นจากอารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความชั่วเช่นการเที่ยวเตะรู้จักประมาณในการใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคเว้นจากทางที่จะก่อให้เกิดอชาชญาไม่ออกพ้นเขตไม่ว่าจะทิศใดทิศหนึ่งยามบําเ พ, พ็ญพศบําเพ็ญพศทุกเทศกาลอยู่จําอุโบโสตศีลให้ทานแก่นักบวชและตอนรับแขกผู้มาเยือนเนี่ย อันนี้สิบอนี่เป็นศีลของาศาสนิกชนของของาศาสนาเชนะครับปัจจุบันก็มีอยู่2นิกายนิกายทิกคขำพรกับสเสวตตำพรเนาะทิขำพรก็แบบเคร่งคลาสนั่นเองนุ่งลมผมฟ้านิกายสเสวตตำพรก็นุ่งขาวผมขาวสเสวตตำพรเนาะเน้นการปลีกตนเองอยู่แต่ลําพังนี่เป็นอย่างนี้ รัตทิคูทั้งหเนี่ยเป็นลัตทิที่มีมาก่อนครั้งพุทธกาลสังเกตได้ตอนที่พระพุทธเจ้าจัสรุโนุตตะ ส, สัมมาสัมโพธิยานตอนนั้นก็เท้าสหามวดีพร้มไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมพร้อมด้วยพร้มอีกหมื่นหมื่นองค์ในจักรวาลละองละองละองค์มาเฝ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงดําริในการที่จะไม่แสดงธรรม ส่งคนขวายน้อยพรมก็ไปราตนาบอกว่าโลกจะชิบหายแล้วก็ตะเรียกพรมมาปรากฏต่อหน้าพระาาพุทธเจ้าก็รัตนาบอกว่าบัดนี้ในชมพูทวีปในบรดาคูทั้งหกคือเนี่ยพุรณะกัสปามาคาริโคสาละอชิตาเกสกัมพลปกุทักกัจยนะสัญชัยเวรพระบุตรนี้ค น, นาตบุตรได้ปโปรย ยาพิษทั่วชมพูทวีปแล้วก็คือโปลอยมิจฉาทิฐิถ้าพระเจ้าไม่ถอนมิจฉาทิฐิให้บรรดาประชากรในชมพูทวีปเป็นต้นเหล่านี้สัตเหล่านี้ก็จะเป็นพวกมืดบ ก, ก็จะติดอยู่ในมิจฉาทิฐินั่นให้พระเจ้าก็เลยมีพระมหากรณาที่คุณรับอาราธนาของพรหมนี่ แล้วก็บอกให้สัตว์ทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยนะพระสัพพัญญตาญาณของพระคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนปลาปลาอยู่ในบึงใหญ่แต่ปลาอยู่ในบึงใหญ่เนี่ยติดตะข่ายติดตะข่ายของพวกในพานหรือพวกจะฆ่าปลาทั้งหลายเหล่านี้ตะข่ายคุมไว้อยู่เข้าใจไหมฉนั้นปลานั้นไม่สามารถจะออกจากที่ตรงนั้นได้ก็ติดกันอยู่ แต่ภาัาพญตาญเนี่ยสพยยาพาพญตาญเนี่ยประดุดดังเป็นเป็นตัวเหมือนตะขายที่ใหญ่กว่ามาดึงจับตะขายคือมิจฉาทิถีนั้นออกจากบรรดาปลาทั้งหลายเหลนะ่านั้นทำให้ปลานั้นเป็นอิสระเสรีภาพพร้อมที่จะเข้าสู่ทะเลหลวงได้อย่งนี้เป็นต้นบรรดา ทีนี้ประการต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของเทศนารำพาก็คือในส่วนของเทศนารำพาเป็นเนื้อหาเป็นแก่นแท้ของพระสูตรเริ่มตั้งแต่บาลีข้อที่182ถึง249เนี่แหละเนื้อหาก็คือผลพระนิสงส์ประโยชน์สุขที่เกิดจากการบวชเนี่ยประโยชน์ในขั้นต้นอันดับแรกก็คือเป็นการถามปัญหากาัน ร, ระหว่างพระเจ้าอาชาติศัตรูถามปัญหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กออ็มีใครจะเดี๋ยวก่อนที่จะถึงประเด็นตรงนี้มีใครสงสัยในเรื่องของบรรดาครูทั้งหกไหมต้องการอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมไหมสมัยหนึ่งเนี่ยคือพระเจ้าไอ้พระเจ้าชาติตูเนี่ยเข้าไปหาประกุฏท่ากัจยนะได้ปาศัยกับประกุดท่ากัจยนะเนี่ยพอผ่านการปราศัยแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยพระเจ้าชาตตูเล่าให้พุทธเจ้าฟังเองเนะ ก็ไปทําท่านกัจเจยนะผู้เจริญศิลปะเป็นอันมากเหล่านี้คือพลช้างผลม้าเป็นต้นเหล่าเนี้ย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เป็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบันด้วยผลแห่งศิลปะศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้เขาก็ย่อมบํารุงตนมันดาบิดาภริยามิสหายให้เป็นสุขอิ่มนําสํำรานก็คือว่าคนที่ อยู่ทางโลกทั้งหลายอาศัยเขามีความรู้บางคนเป็นหมอบางคนเป็นแพทย์ใช่ไหมเออบางคนก็ เ, นเรียนวิชาด้านรัฐศาสตร์เอยด้านคณิตศาสตร์เอ่ยด้านวิทยาศาสตร์เอ่ยด้านประวัติศาสตร์หรือด้านการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเขามีวิชาความรู้แล้วก็ไปทํางานตามวิชาความรู้ที่เขาเรียนนั้นเมื่อไปทํางานตามวิชาความรู้ที่เขาเรียนนั้นแล้วเขาก็ได้เงินทองมาเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขบุตรหลานญาติวิปเปินต้นอิ่มหนาสําหรับเป็นสุขเป็นต้นเนี่ย แล้วก็บำเพ็ญทักศนาทานในสมณพราหมณ์ทั้งหลายอันมีผลสูงสุดเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลเกิดในสวรรค์ชั้นใดท่านอาจทำให้รู้ถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนกันได้หรือไม่ก็หมายความว่าเออเนี่ยผลเกิดขึ้นจากการบวชเนี่ยไปถามบรรดาครูทั้งหกเนี่ยปรณกักษปปะก็ตอบ ตอพระเจ้าชาติต้บอกว่ามหาวพิษสภาวะเจ็ดกองเหล่านี้ไม่มีใครทำหรอกไม่มีใครสั่งให้ทําไม่มีใครเนรนมิสไม่มีใครสั่งให้เนระมิตรเป็นสภาพที่ยั่งยืนตั้งมั่นดุดยอดภูเขาตั้งมั่นดุดเสาระเนียสภาวะเจ็ดอย่างไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงไม่เบียดเบียนกันและกันไม่อาจให้เกิดสุขและทุกข์หรือสุขและทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดอย่างก็คือกองดินกองน้ํากองไฟกองลมสุขทุกข์และชีวะเป็นที่7็ดเนี่ย เอย่างไม่มีใครทําไม่มีใครสั่งให้ทําไม่มีใครเนรมิตไม่มีใครเนรมิตเป็นสภาพที่ยั่งยืนตั้งมั่นดุดยอดภูเขาตั้งมั่นดุดเสารเนียสภาวะเจ็ดก็ไม่หวั่นไหวไม่แปรปวนว่าไงไม่เบียดเบียนกันและการไม่อาจให้เกิดสุขและทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและการผู้ฆ่าเองก็ดีผู้ใช้คนอื่นฆ่าก็ดีผู้ได้ยินก็ดีผู้กล่าวให้ได้ยินก็ดีเนี่ยผู้เข้าใจความก็ดีผู้ทําให้เข้าใจความก็ดีไม่มีในสภาวะเ็สิ่งเนี่ยดินน้ําไฟลมสุขทุกข์แล้วก็ชีวะเนี่ย บุคคลเจ้าสตราอย่างคมกริบนืไปตัดศรีรษะกันก็ไม่ชื่อว่าใครโปรงชีวิตใครเป็นแต่สตราสอดเข้าไปในสภาวะเจ็ เ, เจสิ่ง น, นี้เท่านั้นเนี่ยเห็นอย่างขนาดนั้นเลยเนะบอกพระเจ้าชาติโตแบบนั้นเลยไม่มีไม่เรียกว่าฆ่าไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าถูกฆ่าอะไรหรอกก็คือเอาดินน้ำไฟลมไปแทกเข้าดินน้ำไปลมฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจกักษ์คู่ปุปกุุทากัจายนะกับ กับเอาเรื่องอื่นมาพยากรณ์เหมือนถามถึงมะม่วงแต่เอาขนุนมาตอบเหมือนว่าเขาทเอาขนุนสั ม, มรลลมาตอบถามถึงขนุนสั ม, มรลลก็มาต อ, อ, าตอบมะม่วงแม้ชั้นใดค้าแต่ว่าองค์พระเจริญม่อมชั้นนะ่ะถามถึงสามมันยผลที่เห็นประจักษ์ครูนี้ก็มาพยากรณ์อะไรก็ไม่รู้คือถามอย่างตอบอย่างคือพระเจ้าแผ่นดินถามถามในเรื่องของผลที่เกิดขึ้น ในที่เห็นประจักษ์ชัดจากการเข้ามาบวชเข้ามาทำเนี่ยแต่ดันเอาละทิ่เอาทิฏฐิตน เ, เองมาตอบว่าดินน้ำไฟลมสุกทุกชีวะเนี่ยสาวไอ้จ็ดสิ่งเหล่านี้บุคคลจะเอาสัตราไปสอดหรือไปนั่นก็ไม่เรียกว่าฆ่าอะไรหรอกตัดศรีรษะให้คลายก็ไม่ฆ่ า, าสรุปก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสัตสตาวาะัะเหมาะสัตตาวาะัะเห็นว่าเที่ยง แต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉั้นได้มีความคิดว่าเชไหนคนอย่างเราจะพึงมุ่งรุกรานสมณะหรือพวกพราหม้อยู่ในราชอาณาเขตตรงนี้จึงไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษสิทถึงไม่พอใจก็ไม่ได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือก็ไม่ได้คัดค้านวาจานั้นลุกจากที่นั้นแล้วก็หลีกไปเลยทั้งทั้งนะี้โกรธนะโกรธไม่พอใจไ ม, ไม่ไม่พอใจแต่ว่าเราจะมาลุกรานทําไมนี่นักบวชอยู่ในเขตพื้นที่เราดูแลปกครองอยู่วางเงถอะให้อยู่ไปเถอะ แต่ก็ไม่พอใจในคำตอบแบบนี้ไม่พอใจเห็นไหมเนื่อเธอไม่ใช่ท่านพอใจในกรณีการตอบแบบนี้นี่ไปหาลัทธิงั้นแต่ละลัทธิก็เข้าไปก็จะเป็นไปในนองลักษนับแบบนี้เหมือนกับการเข้าไปหามคริโคสาละเนี่ยก็ไปเข้าไปหาครูมัคริโคสาละ พอปราัยปุ๊บท่านก็วปเดาว่าเออศิลปศาสตร์มากมายเนะพนช้างพลมาพลรถพลดนเท้าทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมอาศัยศิลปศาสตร์ที่ประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบันก็คือว่าคนที่เขามีอาชีพคนที่เขาเรียนศิลปะมาดีเขาก็สามารถที่จะไปทําการงานทั้งหลายมีความเก่งมีความกล้ามีความสามารถในศิลปศาสตร์ที่เขาไปเรียนมา เขาไดเงินทองมาก็บำรุงตนบ้างบรรวงมารดาบิดาบุตรภรรยามิตสหายเป็นสุขอิ่มหนำสำราวก็บําเพ็ญทักศินาทานในสมณพันธ์ทั้งหลายที่มีผลนั้นสูงสุดใช่ไหมเป็นไปเพื่อได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เช่นใดเออท่านก็เลยถามบอกว่าเออผลของการบวชเนี่ยเป็นสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนฉันนั้นมีไหมเพราะงั้นเดี๋ยวถามครูมรคตรีโกศาละ มรการีขอสาระบอกมหาบอกพิษไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้หาปัจจัยไม่ได้ย่อมเศร้าหมองย่ำไม่มีเหตุปัจจัยย่ำไม่ย่ำไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็หาเหตุไม่ได้หาปัจจัยไม่ได้ย่อมบริสุทธิ์เองลูกนั้นเถอะไม่มีอะไรมากระทำบอกว่าลูนั้นเถอะ ไม่มีความเพียนไม่มีเร็วแรงของบูดไม่มีความบากบั่นของบูดสัตว์ทั้งหลายปานาทั้งปวงพูตาทั้งหลวงชีวาทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียนแปลไปตามเคาะดีเคาะร้ายว่างั้นเถอะมาประจบเท่า น, นั้นเองและสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ได้มาครบแปดปดล้านสี่แสนว่างั้นเถอะหมากับเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงความบริสุทธิ์เองอย่างนี้เป็นต้ น, น, นเนี่ยพอถามงี้ปุ๊บเนี่ยท่านก็ไม่พอใจ เนี่ยพราะไปประกาศไปประกาศความเห็นของตนเองในลักษณะแบบนี้เป็นต้นยิ่งไปหาไปหาสัญชัยเวรพระบุตรด้ยแล้วโอ้โหอันนี้เป็นวาทะชัดๆเลยพอไปถึงพบกระถามอย่างเดิมนี่นแหละพอไปถามอาจารย์สัญชัยบอกว่าข้าแต่มหาบพิตรตรัสถามอาจามาว่าโลกหน้ามีอยู่หรือ ถ้าถามเนะถ้าจะมามีความเห็นว่าโลกหน้ามีก็จะพึงถูกทูลตอบว่าความเห็นของธรรมาว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ถ้ามหาบุพพิธถามธรรมาว่าโลกหน้าไม่มีหรือถ้าจะมามีความเห็นว่าไม่มีก็จะพึงทูลตอบว่าไม่มีถ้ามหาบุพพิธตรัสถามว่าโลกหน้า มีด้วยไม่มีด้วยหรือถ้าจะมาภาพมีความเห็นว่ามีด้วยไม่มีด้วยก็จะพึงทูลถามว่ามีด้วยไม่มีด้วยถ้าหาบริษตัดถามบอกว่าโรคหน้ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือถ้าจะมาภาพมีความเห็นว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็จะพึงทูลตอบว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นต้นเหล่าเนี้ยก็ละธิศที่ซัดสายคือไปนั่งคุยแล้วงง นั่งคุยแล้วงงแล้วมึนพวมองเห็นเนะนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยพระเจ้าชาติโซก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่ไปแล้วไม่รับความแชมชื่นเลยเครียดกลับมาแลนะ้วไปหาครูทั้งหกก็แต่ละคนก็นยึดพราะไปคิดเป็นนักคิดทั้งนั้นนะนะคิดจนกลายเป็นทิศถีกลายเป็นความเห็นกลายเป็นตกผนึกตนเองก็ในปัจจุบันที่เราเจอกันถ้าเราเจอครูทั้งหกเราก็จะมาเจอมนุษย์ปัจจุบันที่ปมิติดเชื้อครูทั้งหกันมานี่ แล้วมันก็จะยึดความเห็นมันจะลพัดวนใช่ไหมแต่ว่าจะเหนียวนวแน่นไม่เหนียวแน่นยังไงฉะนั้นทิฏฐิเหล่านี้ก็ต้องแก้ด้วยปัญญาที่ต่อมาผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในข้อที่นถ้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นขอทูลถามว่าผู้มีภาคเจ้าบ้างว่าศิลปราศาสตร์เป็นอันมากเหล่านี้คือพลช้างผลมา้าพลรถพลธนูพลเชิญธ น, นูคนจัดกระบวนทัพ หน่วยจัดส่งสเสบียงเอ่ยพวกอุกคราวฉบุตรผลอาสาขุนพลหน่วยกล้าตายพลสวมเกาะหนังผลรับใช้หน่วยทาขนมหน่วยตัดผมหน่วยเครื่องสงหน่วยทาครัวช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างหูกช่างจัดสารช่างหม้อนักคํานวณพวกนับคะแนนศิลปศาสตร์เป็นอันมากแม้อย่างอื่นที่มีคติเหมือนอย่างเนี้ย คนเหล่านั้นย่อมอาศัยผลแห่งศิลปราศาสตร์ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบันด้วยผลแห่งศิลปาศาสตร์ที่เขาศึกษาเล่าเรียนมาย่อมบำรุงตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยามิตรสายเป็นสุขอิ่มน้ำชํระลามและก็บำเพ็ญทักษิณาทานในสมณพราหมณ์ทั้งหลายอันมีผลอย่างสูงเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีในปัจจุบันมีผลเป็นมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์แม้ชั้นใด ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจทําให้รู้สามหญุผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนฉันนั้นได้หรือไม่ผลที่เกิดขึ้นจากการบวชของนักบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัส บ, บอกว่าอาจมีอยู่มาหาบพิษแต่ในข้อนี้แต่ถามเขจะขอย้อนถามมหาบพิษก่อนโปรดตรัสตอบตามที่พอพระไทยนะมาหาบพิษจะทรงเข้าใจความพระไทยข้อนั้นอย่างไรสมมติว่ามาหาบพิษเนี่ยพึงมีบุรุษผู้เป็นทาศกรรมกร มีปกติตื่นก่อนนอนที่หลังคอยฟังพระบัญชาโปรดให้ทำอะไรประพฤติถูกพระไทยพูดจาเพราะคอยเฝ้าสังเกตพระพักเขาจะมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าคติของบุญวิบากของบุญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีความจริงพระเจ้าเป็นดินมคตนามว่าอาชาตสตูเวเทหิบุตรพระองค์งนี้เป็นมนุษย์ แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระองค์ท่านทรงเอิบอิ่มทรงพรั่งพร้อมได้รับการบร่มเพลิงด้วยเบญจการมคุณดุจเท พ, พเจ้าส่วนเราซี่เป็นทาสรับใช้ของพระองค์เราต้องตื่นก่อนนอนที่หลังต้องคอยเฝ้าพระบัญชาว่าจะโปรดให้ทําอะไรต้องประพฤติให้ถูกพระไทยต้องพูดจาเพลาะต้องคอยเฝ้าสังเกตพระพักเราบำเราพึงทําบุญจะได้เป็นเหมือนพระองค์เองอยากกันนั้นเลย แล้วทำบุญดีกว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นได้แค่คนใช้อ่ะอยากพอคิดอย่างนี้ปุ๊บก็ปองผมแล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวัตภัออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาก็ปองผมและนหนวดนุ่งห่มผ้าก า, าศวัตภัออกบวชเป็นบรรพชิตขั้นบวชแล้วเป็นผู้สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจอยู่สันโดษ ด, ด้วยความมีเพียงอาหารและผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่งยินดีในความสงัด ถ้าพวกราชบุรุษกราบทูลความประพฤติของเขาอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงปโปรดทราบเถิดบุรุษผู้เป็นทาากรรมกรขององค์พระองค์เนี่ยที่ตื่นก่อนนอนที่หลังคอยรับพระบัญชาปโปรดให้ทําอะไรประพฤติถูกว่าไทยผู้จ่าเพลอนเนี่ยคอยเฝ้าสังเกตมองหน้ามองพักอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้เขาปองผมและหนวดนุ่งะ้าผมพ้ากาสวาดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมจิตใจ สันโดษด้วยความมีอาหารเพียงผ้าปิดกายและเป็นอย่างยิ่งยินดีในความสงัดมหาวิทย์พึงตรัสอย่างนี้เทียวหรือว่าพ่อหมาจำเริญคนนั้นของข้ามาสิจงมาเป็นทาสกรรมกรข้าตามเดิมนะจงตื่นก่อนนอนทีหลังจงคอยรับใช้ผู้จ่าเพลาะคอยสังเกตว่างั้นเถอะพระเจ้าชัติูบอกว่าหรือจะเรียกคนคนนั้นให้ศึกออกมาแล้วมาอยู่รับใช้พระองค์ตามเดิมไหมพระเจ้าชาติตูบอกว่า จะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เลยเพราะเจ้าข้าอันที่จริงข้าพระองค์เสียอีกควรจะไหว้เขาลุกลับเขาเชื้อเชิญเขาให้นั่งบำรุงด้วยจีวรบินทบาตเสนาส น, าสนาาะกีฬานปัจจัยเพศสัตว์บริขารควรจาัดการรักษาป้องกันคุ้มครองเขาอย่างเป็นธรรมมหาบิศเป็นต้นพระเจ้าพทธจาก็บอกมหบาบิพิษพระองค์จะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นอย่างไร ถ้าเมื่อเป็นเชนนี้สามัญญผลที่เห็นประจักรมีอยู่ไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นชนนี้สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ที่มีอยู่โดยแท้นี่แหละคือสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันซึ่งตถาคตให้รู้ให้รู้และถวายมาหาวขิพิธเป็นข้อแรกอันนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์สุขขั้นต้นนี่นะพระานิสงส์ประโยชน์สุขที่เกิดขจากการบวช อันนี้ก็เรียกปฐมสันธิกาสามัญญผลการได้รับความเคารพจากพระราชาเมื่อพระเจ้าชาตูกาบทูลตอบนะบอกว่าเนี่ยที่บอกตื่นก่อนนอนที่หลังแล้วพ น, นิบัติรับใช้อย่างเป็นต้นในพิจารณาความแตกต่างของมนุษย์เนื่องจากการทำความดีจึงเห็นประโยชน์ในการออกบวชแล้วก็ออกบวชสมบรบินทร์เป็นตัวเหล่านี้สัโ ด, ดในการใช้สยกวายินดีในความสงัด พระเจ้าชาติตัวก็ตอบว่าไม่ขอรับข้าพระองค์จะทําความเคารพกราบไหว้ปฏิบัติรับใช้ด้วยปัจจัยสี่เป็นต้นแล้วก็คอยอรารักขาพระเจ้าก็บอกว่ามหาภพิษข้อนี้ถือว่าภารณิสง์แห่งการออกบวชได้หรือไม่บอกว่าได้พระเจ้านี้แหละเป็นอ น, นิสงฆ์ข้อแรกของการออกบวชอันนี้เป็นปฐมสันติทิกาสามัญญผลเออตรงนี้ชี้เห็นอะไรรู้ไหมการบวชเนี่ยได้อ น, นิสงฆ์ข้อแรกก็คือไม่ต้องเป็นขี้ข้าของพระราชา ถ้าพวกเราที่เคยเป็นขี้ข่าใครพ่อแม่ปุตต า, า, าย่ายายหรือใครก็แล้วแต่อาจจะมีเจ้าหนเจ้ า, จานายสารพัดพอออกบทปุ๊บความเป็นขี้ข้าของเราหายไปเลยนี่เป็นผลที่เห็นประจักษ์ชัดไปที่บ้านแม่ใช้ไปถูบ้านมีไหมไปกวาดบ้านมีไม้ยมีไม่มี ไม่มีก็จะใช้ได้ไงแล้วใช้ก็บาปตายสิทําไมท่านคิดอย่างนั้นเป็นคารวะท่านก็โดนใช้อยู่แล้วอดีตภรรยาก็ใช้อดีตแฟนมันก็ใช้สรารพับดบุตแหละออกไปทํางานข้างนอกก็โดนใช้ให้ตัดต่อนุนทํานุนทํานี้สรารพัดทัด้งหลายแต่ก็ขี้ค่าก็จะยังแต่อพอบวชแล้วน่ยไม่ไปต้องเป็นขี้ค่าใครที่ชัดเจนไว้ก้อ น, นี้อันนี้จัดว่าเป็นอุปสงการบวชได้ไหมที่เห็นประจักษ์ชัดในปัจจุบันไหม เออที่เห็นประจากชาติในปัจจุบันนี้ แ, ลแหละแรกอันที่สอที่เกิดขึ้นจากการบวชเป็นปฐมสันติกาสามัญญผลที่เห็นประจักษ์เลยว่านับตั้งแต่พอบวชปุ๊บนี่นี่นุ่งผมผ้ากาสวาวาทรองผมและหนวดปุ๊บเนี่ยใช้บาทและจีวรนี้ปุ๊บเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ยึดความเป็นขี้ข้าของคนข้างนอกเลยนี่อันที่สง์งฉะนั้นทำไมถึงบวชเราก็ได้ตอบก็ใหชัดเจนว่าอ๋อ มันได้อานิสงส์ที่เห็นประจักษ์ชัดที่พระบรมศาสดาตรัสบอกว่าคือไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครอีกต่อไปภูมิใจไหมข้อนี้หรืออยากจะกลับออกไปเป็นขี้ข้าคนอื่นอยากออกไปไหมพระบอมยังมีความรู้สึกยิงว่าไม่ไม่ไหวแล้วเรามันเกิดมาเป็นขี้ข้าเขาขอกลับไปเป็นขี้ข้าอย่างเก่าเธอยังมีความคิดเห็นแบบนี้อยู่ไหม มีไม่มีฮะมีไหมมีความคิดสักนิดไหมเฮ้ย <s> ขอกลับไปเป็นขี้ข้าใครอีกห น, น่อยบอ ม, มีไหมมันทนไม่ไหวอยากจะไปเป็นขี้ข้ามันเป็นขี้ข้ากันมานานแล้วมีความคิดแบบนี้ไหมมีไม่ม่ทำไมมันนิ่งนานคิดคิดยากก็เลยไรเรื่องกุศลมันคิดยากอากุศลไม่คิดง่ายจังเลย เนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยไม่ต้องการอิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการบวชข้อแรกเลยนะตรงนี้ น, นี่มองให้ดีนะไอประเด็นตรงนี้มองให้ชัดเออในตอนที่บวชครั้งแรกเนี่ยพอได้บวชปุบเนี่ยตอนนั้นเดินอยู่บนสลาโอ้โหชื่นใจมากมันเหมือนเราปลอดภัยแล้วเราไม่ต้องไปรับใช้ใครอีกแล้วไม่ต้องไปลำบากลำบนอีกแล้วเนี่ยมัน ใครไม่ต้องมาใช้เราได้อีกแล้วเนี่ยนะเดินนําชื่นใจเลยะไม่ต้องไปรับใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องเป็นเป็นขี้ข้าใครแต่ก่อนเนี่ยไหมเนี่ยสังเกตดูดิคนที่เป็นกัลยาวาทั้งหลายวิ่งวุ่นหมดแล้วมีแต่คนใช้ใช่ไหมถ้าบวชเสร็จปุ๊บนี่ไม่มีแม้จะใช้ยังต้องใช้คําพูดแบบไพโรด้วยนะเช่นว่าเอออยากจะได้ธรรมะเนี่ย ถ้าใช้แล้วบาปเลยให้คนมีศีลเลข้อที่สองธุติยสามัญทุติ ย, า ส, าตยสันธิกาสามัญญผลการได้รับอิสรภาพจากพระราชาโอ้ดีสำคัญที่สุดเลยทั้งก้อนนี้พระเจ้าชาติัวก็ถามว่าให้โปรดตัดต่อไปว่าพระรัชกาก็บอกว่ามหาบาพิษอัตมาภาพกล่าวต่อไปอีกได้แต่จะต้องขอถามมหาบาพิษอีกนั่นแหละขอพระองค์จงตอบ ตามอัธยาศัยสมมุติว่าถ้ามีชาวนาะผู้หนึ่งต้องส่งภาษีต่อระบวิทยเป็นนิตและไม่เคยขาดเลยเป็นประสบนิกรที่ดีเป็นชาวนาก็ได้เป็นชาวสวนก็ได้เป็นพ่อค้าโดย ท, ทั่วไปก็ได้ที่ทำกิจการงานและเป็นนักธุรกิจเป็นต้นเน่ในประเทศนั้นเป็นคนที่ต้องจ่ายภาษีอกรเป็นนิดตลอดเวลาเลยว่างั้นเถอะ ไม่เคยหลบเลี่ยงภาษีเลยต่อมาเนี่ยเขาก็มีความคิดใช่ไมอย่างข้างต้นเนี่แหละมีความคิดในลักษณะว่าพิจารณาผลความแตกต่างนยของมนุษย์เมื่อพิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วก็ปรารถนาที่จะบวชบอกเออเรื่องอะไรในวงนั้นเตอ เขาพิจารณาแตกต่างทำไมเราจะต้องมาจ่ายภาษีอากรทำไมเราต้องมาส่งสวยเข้าใจไหมเออทาไมมันส่งให้กับใครเนี่ยมันมีคนรับกับมีคนส่งมาพิจารณาเหตุพิจารณาผลพิจารณาแยกแยะเออมาพิจารณาอย่างนี้ทำไมเราต้องส่งสวยทาไมเราต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานทำการทั้งหลายต้องมารูได้พิจารณาความต่างของมนุษย์อันเนื่องมาจากการกระทาดีเนี่ย โอ้มนุษย์ที่มีความต่างกันมันมาจากเขตปัใจจัยในการทําบุญทาบาปมาต่างกันนี่เราก็เลยจะต้องมเนี่ยทำกิจการน้อยใหญ่ใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องถูกเก็บภาษีเากรทั้งหลายแต่บางคนไม่ต้องถูกเก็บเลยว่าเงนินเออมนุษย์มันต่างกันต้องบนนี่เองว่าเงนินแต่อยากนนั้นเลยเห็นประโยชน์ของการออกบวชเห็นโทษของการคลองเรือนเลยตอนนี่ยแล้วก็ออกบวชสํารวมอินทรีย์ สำรวมตาหูจมูกริ้กายใจสันโดษในการใช้สอยปัจจัยยินดีในที่่ ง, งียบสงัดประพฤติปฏิบัติขัดเกลาสำงรวมกายสำงรวมวาจาสำงรวมจิตใจเออเนี่ยพระเจ้ากระถามบอกมหาวพิษเมื่อรู้ข่าวอย่างเนี้ยคนคนนี้ออกไปบวชแล้วเนี่ยไม่ส่งเสริจ่ายภาษีกากรแล้วเนี่ยจะไปนิมนต์ออกมาให้มาทำธุรกิจยางเกา่าให้มาถ่ายรูปยางเกา่า มาซื้อของกินอย่างเก่าวจะได้เก็บภาษีอากรส่งจะได้เก็บภาษีอากรเข้าครั้งเนี่ยออคิดอย่างนั้นไหมบอกพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าไม่ครับข้าแต่พระองค์ยังจะต้องทําความเคารพกราบไหว้และปฏิบัติรับใช้ท่านด้วยปัจจัย4และอารักขาท่านเลยขเจ้ารกระบอกมหาบุพพิตรข้อเ น, นี้ตอบว่าเป็นอันที่สอที่เกิดขึ้นจากการบวชได้หรือไม่พระเจ้าชาตสโตบอก ได้ก็รับพุทธเจ้านี่แหละเป็นอนิสงฆ์ข้อที่สองที่เกิดขึ้นจากการบุญตอนอ่านได้เห็นความชัดตรงนี้ไหมเห็นใช่ไหมโอ้โหแค่สองข้อแรกนี่ก็โอ้โหปลอดภัยเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยโัวลาอ่านตรงนี้รู้สึกษาคําสอนพุทธเจ้าตรงนี้ปั๊บขนลุกเลยโอ้โหจริงจริงด้ือเราปลอดภัยทั้งสองด้านเลยไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยต้องไม่ต้องลําบากลําบนใดใดเลยเนี่ยแต่เชื่อไหม แค่สองข้อนี้ก็เป็นเหตุผลที่สมควรบวชแล้วไม่ต้องบอกถึงข้อที่ยิ่งกว่านี้ไปอีกอะอนะเนี่ยอันนี้เป็นปฐมสันธิกาสามัญญผลกับทุติยสันธิกาสามัญญผลข้อที่หนึ่งข้อที่สองเห็นประจักษ์ชัดเลยอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสุขที่ได้จากความปราณี ย, ยิ่งขึ้นไปนะ เอาฟังแบบนี้แล้วเราชื่นใจไหมเราหลุดจากสองข้อนี้แล้วเอาข้อที่สามพระเจ้าชาติโตกทูล ถ, ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีภาคเจ้าตรัสพอจะตรัสถึงอ น, นิสงส์ที่เหนือกว่าดีกว่าประเสริฐกว่ายิ่งกว่านี้ได้ไหมพระพรเจ้าบอกได้สิมหาบาพิษพระเจ้าชาติโตก็บอกสาธุ ข, ขอรับพระรัชกาลมหาบาพิษพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย พระงทรงเป็นพาราลทหารเป็นผู้ไกลแจกิเลตัศรุชอบได้เดีย๋ยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณาเสด็จมันดีแล้วเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกๆพระ อ, องค์ทรงรู้แจ้งโลกเ ป, ล เ, ลเป็นสารถีอันเลิศเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงตัสัตวริยาสัตว์สถึงพร้อมด้วยพระคุณนันประเสริฐมีความเป็นใหญ่ต่อจิตใจของตนเป็นต้นได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกทรงสั่งสอนโลกสัตว์โลก สิ่งที่พระ อ, องค์ทรงได้ตัดสรุปแล้วทรงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางได้ที่สุดที่มีความบริบูรณ์ด้วยถึงพร้อมด้วยอัฏฐะและเวียนชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ค้อท่วนสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาที่เป็นข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามผู้ที่ได้สดับรั บ, รบฟังพัธรามันถึงพร้อมแล้วก็เบือนนายการคลองเรือนว่าชีวิตของผู้คลองเรือนน่ยซึ่งเป็นแหล่งซ่องสมกิเลสประมาณนั้นเ เป็นแหล่งซ่องสมของราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความมืดบอดมานะความเย่อหยิ่งถือตัวทิฐีความเห็นผิดอหิริกาความไม่ตาอายต่อบาปอนโนตตะปา่าความไม่เกรงกลัวต่อบาปอุตจาร ค, คือความฟุ้งซ่านบรรดากิเลยทั้งหลายเหล่านี้ก็มาซ่องสมหมักหมมในกระแสชีวิตของบุคคลที่คลองเรือนก็เลยเล็งเห็นว่าการที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ได้พระมสอน ให้รับผลสำเร็จได้นั้นจำต้องสละชีวิตการคองเรือนออกบวชเป็นภิกษุจึงจะเหมาะสมกว่าภายหลังเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขาก็ออกบวชเป็นภิกษุเป็นผู้มีศีลบริสุทธ์สารวมอินทรีย์มีความพอดีในอาหารมีสติสัพัญญะมีความสันโดษในการก้าวไปถอยกลับนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อการกวสุขที่แท้จริงนะปัจจุบันดังที่กล่าวไปนี้คือใช่เนี่ย การได้เสวยอนนวัชสุขสุขที่เกิดจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็คืออนนวัชสุขกระสุขที่เกิดจากการได้ชีวิตอย่างไม่มีโทษถึงพร้อมด้วยศีลมีการละเว้นจากการฆ่าละเว้นจากการรักว่าเว้นจากการประพฤติผิดในการมละเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจรละเว้นจากการเอาของมึนเมาในใส่กระแสชีวิตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจุรศีลมชิมาศีลมหาศีล ย่อมเป็นผู้ไม่ประสบภัยอันตรายต่างๆนาน า, น า, นามีความสุขตลอดการเหมือนพระราชาที่ปราบข่าศึกจนหมดสิ้นแล้วย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้ประสบภัยอันตรายจากข่าศึกในการไหนๆอีกต่อไปอันนี้เป็นอนัวัชฌสุขสุขที่เกิดจากขึ้นการจากการมุ่เป็นกายบริสุทธิ์นะกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดแล้วยังพัฒนาสุขที่ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นการได้อภิยาเสกสุขที่เกิดขึ้นจากสํารวมอินทรีย์ด้วย ก็คือสุขที่เกิดจากการที่มีจิตใจปลอดปรงจากกิเลส ท, ที่ทำให้เศร้าหมองเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีความระมัดระวังที่เรียกว่าอินเดียสังวรเนี่ยการเห็นรูปด้วยตาแล้วหวกงั้นเธอปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นผู้สำรวมในจักขุนศีในขณะที่เห็นรูปไม่ปล่อยให้อภิชาและโทมนัสไหลเข้าสู่จิตสารวมอินรีโสตินรีในขณะที่ฟังเสียง ไม่ปล่อยให้ราคะโทสะโมหะไหลก็สูญจิตสํารวมอินทรีย์ในขณะที่ดมในขณะที่กินในขณะที่ลิ้มรสในขณะที่สัมผัสถูกต้องในขณะที่คิดนึกก็ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปล่อยให้ราคะความกําหนัดโทสะความโกรธโมหะความมืดบอดไหลก็สูญจิตอันนี้รักหนให้เป็นอภิยาเศกสกุขสุขที่เกิดขึ้นจากการที่กิเลสไม่เข้าไปเจือปนเรียกว่าสุขถึงขั้นอทิจิตสุขไม่ใช่แค่นั้น ยังเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติสมัญชัญญะในเอียบทในการก้าวไปถอยกลับแร่ตรงแลเหลยวคู่เข้าเหยียดออกในการกินดื่มเคลื่อลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนี่อันนี้เป็นอวัยวเซกสุขนะืสุขจากการเจริญสติสัมัญชัญญะและจากการสันโดษถือทึดดงด้วยก็คือมักน้อยสันโดษด้วยจีวรตามที่พอได้ ด้วยอาหารพอฉันด้วยบริการพอจําเป็นบุคคลเช่นนี้ย่อมมีชีวิตที่เบาสบายไม่มีความกังวลใดๆและภายหลังจากที่มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์สมรวมอินทรีย์ได้ดีเยี่ยมมีสติสมัมปชัญญะที่เลิศเป็นผู้สันโดษหลีกเล่นเข้าหาสถานที่ส ง, งัดจเจริญสมาธิสา ม, มารถกําจัดอภิชาความอยากพยาปาท่าความกโกรธหินมิท่าความหดหู่ความเสื่องซึมอุท่าจากกุกจ่ความฟุ้งซ่านําคาญใจวิจิกิจฉาความรังเลสงสัย ละนิวรได้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่เป็นหนี้ที่ตนชําระได้หมดเส้นแล้วโรคภัยไข้เจ็บรักษาหายแล้วชีวิตของคนที่พ้นจากคุกชีวิตที่เป็นอิสระพ้นจากความเป็นทาสและการถึงเส้นทางที่ปลอดภยัยถามเป็นต้นเนี่ยอันนี้จัดว่าเป็นอนิสงค์ของการบวชที่เกิดขึ้นเป็นข้อที่สเป็นต้นได้ไหมเนี่ยพระเจ้าเสนาตัวบอกโหได้เลยนี่เป็นต้นเนี่ยรายละเอียด ไม่ต้องเป็นความสุขในปฐมฌานตัวเติยฌา น, นนี้ค่อยไล่ไปตามลําดับอันนี้มองชี้เ ห, เห็นไหมเนี่ยอันนี้ความสุขที่ปราณีตและปราณีตกว่าความสุขที่ไม่ต้องเป็นธาตุหรือความสุขที่ไม่ต้องทรงสวยภาษยากรอันนี้เป็นสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจากศีลสุขพัฒนาสู่อพยเสกสุขเป็นต้นเหล่านี้จนถึงขนาดความสุขที่เกิดขึ้นจากการสันโดษยินดี ในจีวรตามมีตามได้เป็นต้นสุขที่เกิดจากการสํารสมอินทรีเป็นต้นสุขในการที่มีมีมสติสัมภัญญาในการก้าวไปถอยกลับเป็นต้นแล้วความสุขในระดับพวกนี้เราเริ่มได้กันนีืยังไม่จากสีและสุขได้หรือยังสุขจากการไม่ต้องฆ่าใครแล้วไม่ต้องไปลรักไม่ต้องไป็นผูุ้ดผิดในกรรมในความสุขระดับนี้ได้หรือยังบําไ ด, ดยัง มีความสุขกับตัวเองปลอดภัยแล้วไม่ต้องนอนแบบสะดุ้งไม่ต้องหวาดระแวงอยู่หน้าที่ไหนเราจะมีภัยแต่ในไหนเหมือนพระราชาปราบปริร่าศัตรูคือจัดการอริร่าศัตรูที่จะมาคอยป่นสะดมในเมืองนี้ได้หมดแล้วถามว่าเขาจะมีความสุขไหมมีทีไม่มีความสุขได้ไงพระราชาที่โปรที่ปราบปริร่าศัตรูหมดสิ้นแล้วก็มีความสุขสิเหมือนกันเราก็จัดการบาปเล่ย์้า ines, ทั้งหลายทางกายทางวาจาทางอาชีพ ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์แล้วเราก็ปลอดภัยชีวิตก็ปลอดภัยอันนี้เขาเรียกว่าสีละสุขแล้วก็พัฒนาสู่อัพยาเสกสุขจากการสํารวมอินทรีย์เป็นต้นความสุขที่เกิดจากการสันโดษในในมิสติสัมชัญญาในฐานะเจตสันโดษ ด, ด้วยกีวรตามีตามได้จนความสุขระดับที่สามารถทําอุปจาระสมาธิเกิดขึ้นกังจริทิวารธรรมในจิตใจได้โอ้โหปลอดโปร่งโล่งเบานั่นเน่ยเป็นอา น, นิสงส์ที่เกิดขึ้นที่เห็นประจักษ์ชัดในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากการบวช หวังว่าพวกเราคงจะได้ความสุขตรงนี้ไปทำให้มันเกิดให้มันได้น้าข้านอนหลับมีสุขไหมโอ้มีความสุขมากเอาละเหลือสิบนาทีจะฉันเพจอีกแล้วมีปัญหาถามไหมมีไหเอา้าวงั้นแค่นี้ก่อนจะ